ะจะเดินถามทุกคน <c oughs> วันนี้วันศุกร์ที่ยีดพฤศจิกายน25งพ้าห้าเจ็ดแล้วอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนนี้ขึ้นธันวาเดือนสุดท้ายของปีละจะสิ้นปีละวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอ่าสิบสองปีสิบสองปีส6สบหกปีสาสหปีอ่า มาถึงวันนี้ปาเข้าไป36ปีสมรอบแล้วไม่ถึงสรอบมันสองรอบกว่าแต่ถึงร0 8เมื่อไหร่ก็สรอบต่มาเ2ก็สองรอบ36 36 2สองรอบแล้วตอนนี้ก็องเลยเจ็ดส ม, มา8ปปีเลยเจสองมา8ปีแล้ว อีก4ปีก็ครบเออไม่ใช่108ที่ 36, 36, สามสเป็นเจ็ดสิทีนี่เ2ไปอีก36อสอ่อช่มันก็ต้องหัวไปอีกถึง108นะนะั่นแหละยังเพิ่งจะ10ิบนอนมันยังไม่ถึง36มันเพิ่งจะขึ้นไปแปดปีน่ยมันยังไม่10ยังไม่12 12องสามเที่ยวมันจะเป็น36 มันก็ไวเนาะอัตมาก็จะว่าอัตมาติดยึดในเรื่องของหลักสังขยาเลขพวกนี้เนี่ยอัตมาก็มีส่วนที่ใช้วิธีพวกนี้เหมือนกันเออมันมีจุดสำคัญหนึ่งสองสพอสามแล้วขึ้นรอบใหม่เป็นสี่สี่ห้าหขึ้นเป็นสเศ้าหนึ่งสาจุดพอสจุดสองเศ้าเป็นหขึ้นเจ เป็นเศร้าที่ส8 9ปจนสเศร้าสจสเศร้าขึ้นถ้าสามเศร้าแล้วที่จะมาครบรอบที่หนึ่งเรียกว่า10หรือศ9นแล้ว9จุดเนี่ยสแล้วมันก็เป็นศูนแล้วมันก็จะซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นไปงี้สภาวะมูลรอบเชิงซ้อนสภาวะธรรมสัจธรรมแบบนี้มันมีทั้งในพลังงานทางรูปธรรม และมีทั้งพลังงานทั้งนาำ ม, มัทำมันมีจริงนะเพราะงั้นแต่เผื่ว่าผู้ที่เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ได้แต่คนไทยที่ยังไม่ถึงครั้งถึงคราวยังไม่ถึงรอบที่เราจะใช้ได้เพราะเราอยู่ในฐานะที่จะใช้ได้ก็จะไปพึงใช้ใช้แล้วเละนะใช้แล้วใช้แล้วมันไม่ไม่ตรงไม่ไม่ไมไมไมถูกไม่ใช่เดี๋ยวเรายังไม่ในฐานะที่เราจะใช้นี้ เพราะคำว่าฐานะคำนี้จึงสำคัญไม่ใช่เลยฐานะตามฐาน ะ, นะเป็นฐานะถ้าไม่เป็นฐานะไม่ใช่ฐานะมันไม่ใช่มันทำอะไรมันไม่ได้มันคนฐานะความหมายอันนี้ก็สำคัญในธรรม ะ, ะอาตมาเ็ว่าอาตมาทางานาศาสนามาโดยเปิดเผยไม่ปิดบังจนกระทั่งคนก็ว่า อวดอุตริมนุสธรรมอวดตัวอวดตนในเรื่องคุณธรรมเรื่องคุณธรรมในระดับปรมาติในระดับอารียธรรมระดับรองคุณธรรมนะแล้วเขาก็ว่าอวดอุตริมนุสธรรมกันอย่างผิดพระราชบัญญัติผิดธรรมวินัยอะไไม่ไม่มพระราชบัญญัติไม่มีหรอกธรรมวินัยนะผิดธรรมวินัยนะถ้าเพอะว่ามีจริงก็อาบัาติปจิตติ ทำไมมีจริงก็ปาราชิกอะไรอย่างี้เป็นต้นเ อ, อัตมา เ, าเข้าใจนะเข้าใจเอัตมาว่าอัตมาอยู่ในฐานะที่จะพูดได้ยัางเต็มที่เพราะอเตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับ17แล้วก็จะต้องมาพูดในยุคนี้ที่เป็นยุคที่จะต้องพูดเช่นนี้ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในยุคของท่าน ท่านพูดอย่างเปิดเผยพูดยังเต็มภาคภูมิทุกอย่างว่าท่านเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่มีใครเทียบเท่าท่านเลิศยอดอะไรต่างๆนานาท่านเป็นสยามภูเป็นผู้อวดไม่มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในตำนานในพฏิปิบดกในเนื้อหาที่ท่านราตรัสเองท่านตรัสจริงใจอาตมาก็าอาตมาตรัสจริงใจข้อสําคัญการยืนยันนี้อาตมาชัดเจนในตัวเองว่าอาตมาไม่ได้ ประกาศหรือบอกตัวเองเพื่อให้มันเป็นเรื่องอวดอ้างมันเป็นเรื่องโชว์ตัวนะมันเป็นเรื่องที่มีกิเลสแฝงมีสาเทยจิตต่างๆอันนี้อาตมาว่าอาตมาชัดว่าอาตมาในจิตใจของอาตมามันไม่มีไม่มีสาเทยจิตตัวนี้แต่คนรู้ไม่ได้ด้วยอาตมาหรอกทีนี้อยู่ในกาลนี้นะปุถุพกาล พุทธุพ ป, ปาทกาละกาละอย่างนี้ในเรื่องที่มันจะอุบัติการอะไรขึ้นมาอาตมาก็เป็นประสาวรูปหนึ่งพุทธสาววรูปหนึ่งที่จะต้องอุบัติขึ้นมาในพุทธกาลนี้พุทธุพ ป, ปาทกาละในกาละแห่งจะอุบัติขึ้นมาในกาละอย่างนี้นะเพื่อที่จะทํางานนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็จึงอวดชัดอาตมาก็หยดอวดขึ้นอีกนั่นแหละ นะก็ยิ่งอวดแน่นอน อ, อวดก็อวดนะคนนี้พุที่ไม่เข้าใจก็ว่าอาตมาเพ่งโทษไปเรื่อยว่าอาตมาอวดัด ง, งนั้นอวดอย่างนี้ดังที่พระพุทธเจ้าเองขออภัยอาตมาไม่ได้ตีตัวเสมอพระพุทธเจ้านะอาตมาที่พูดอย่างนี้นี่ยกตัวพระพุทธเจ้าขึ้นมาประกอบในการอธิบายนี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเท่าพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นร่องรอย มันเป็นแบบแผนหรือว่าระเบียบมันมันจะเป็นอย่างนี้แบบแผนหมดเรื่องราวมันจะ ค, คล้ายๆกันคล้ายกั น, น, กนเพราะว่าอาตมาก็อยู่ในระดับโพธิสัตว์ที่จะมาทํางานนี้จริงๆยิ่ง40กว่าปีอาตมาทํางานมานันี้ยิ่งชัดเจนตัวเองและชัดเจนของผลงานชัดเจนของการตรวจสอบตามพระตปปิดดก์นะอาตมาทิ้งทุกวันนี้ก่อพระเตปปิดดกแจเลย แล้วก็พยายามที่จะเอามายืนยันเอามาขยายพลนในปติปิดกเนี่ยพยายามอธิบายละเอียดลึกซึ้งผู้ที่ฟังด้วยดีตั้งใจดีๆจริงอัตามาเคยผิดพลาดบกพร่องตั้งแต่เหมือนเด็กๆกกมันก็ไปไปศีภาษาใหม่ๆนะมันก็เหมือนหนุ่มๆขนองขนอ ง, นองก็แม่ปือว่าปืวา่าปืฝาว า, ว า, ว า, า, าไปตามลูกทุ่งอะไรอะไรบ้างมันยังไม่มีอะไรๆก็ต้นๆมาก็ผิดพลาด แต่ว่าความผิดพลาดของอาตมา น, นั้นผิดพลาดบัญญัติไม่ได้ผิดพลาดทั้งสาระธรรมสาระแท้ๆอาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้ผิดพลาดนะเช่นบัญญัติต่างๆที่พูดไปแปลบาลีใหม่ไปตามเรื่องตามราวม่ได้เรียนบาลีมาอเมริกนองทําไปแต่ว่าเนื้อหาที่อธิบายอาตมามั่นใจว่าไม่ผิดเนื้อหาต่างๆไม่ผิดแต่ผู้ที่ท่านยึดบัญญัติภาษาแล้วเห็นว่าเรา เข้าใจภาษาตามที่ท่านไม่ตรงกับที่ท่านถือท่านก็ถือว่าผิดแล้วนะอันก็ดีก็ดีก็ยึดไปงั้นท่นท่านยึดได้ก็ดีอยู่อันนึงนะแต่แตมาว่าเนื้อหาเนี่ยมันเวลามันถึงขั้นที่ไปอีกชั้นหนึ่งเลยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเนื้อหามันจะย้อนครับอันนี้ใช่พอมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยไอ้ใช่เนี่เป็นไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่เนี่ใช่ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอาตมาได้พาพิสูจน์ปฏิบัติมามันจะเห็นได้จริงว่าเออใช่และยิ่งเรามีสภาวะร้องรับของเราว่าเออใช่แล้วเราเข้าใจอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะงั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นจริงไอ้ที่ผิดพลาดเราก็รับความผิดพลาดอาตมาไม่ไม่ใช่อัตมาจะเป็นคนดุง ด, ดันอะไรไอ้ที่มันผิดก็ผิดสิเราก็รับผิดเราก็แก้ไข ทุกวันนี้ก็แก้ไขขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผิดเราก็ไม่ไปไปก็ทําต่อสิ่งที่ถูกต้องเราก็ทกําก็ให้ยิ่งทําให้ยิ่งยืนยันทํายิ่งยิ่งและอาตมาที่ถูกต่อต้านหรือว่าถูกตำหนิติเตียนอาตมาขอบคุณหมดเลยนะอาตมาไม่ได้ถือโกรธโกรธใครติดเตียนด่าว่าอย่างโนวลยินด่าแรงๆว่าแรงๆนวลอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังไมีผู้ด่าว่าอยู่ ยังมีพู้ที่ดูถูกหยัดยามประนามมาได้อยู่เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติประเด็นที่อาตมาถือเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยืนยันก็คือศาสนาพุทธยุคนี้เนี่ยได้ถือกันผิดได้ถือกันผิดเป็นกระบวนการใหญ่ถือกันผิดเป็นกระบวนการใหญ่ฟังให้ดีนะเพราะอาตมามาปุ๊บอาตมาก็เห็นว่าอ๋อนี้มันผิด อาตมาก็เลยนำที่อาตมาเห็นว่าถูกเนี่ยมาประกาศเพราะประกาศปังก็ถูกตีแหลกเลยกับฝ่ายใหญ่ตีปังอาตมาก็เออถูกแล้วใช่แล้วละ่ะนะเพราะว่าอาตมาพูดนี้มันก็ยืนยันว่าอาตมาพูดนี้ทั้งโน้นตีปังเลยบอกว่าไม่ใช่ตรงอย่างงโนนก็อาตมาว่าอันนั้นมันผิดแล้วอาตมาก็ยืนยันว่าอันนี้ถูก ท่านโนก็เห็นต่างกันสิผิดก็ถูกมันคนละเรื่องกันนี่เพราะว่าทานโนก็แสดงออกมาตีปังเลยแสดงตัวแล้วว่าฉันเป็นอย่างนี้อ้าวฉันเจออาตมาเขว่าเป็ น, ปนยังไงมันผิดว่าก็ถูกต้องไงดิเป็นคำตอบที่ชัดเจนไงถ้าเผื่อว่าอาตมาแสดงออกไปนะอ้าวเงียบก็แสดงว่ามันอาตมาว่าเอ๊ะเขาผิดแล้วอาตมาแสดงออกไปแล้วว่าเราถูก เอา้ากวันต่างกันอยู่นะอย่างโน้นนะมันไม่เหมือนกับที่อาตมาแสดงนี่นะทำไมเขาเงียบล่ะนะเพราะถ้าเขาเงียบก็มีอยู่สองอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือเขามีปัญญารู้ว่าโอ้ที่อาตมาแสดงมาเนี่ยถูกแล้วเขาผิดเขาเลยยอมรับอย่างหนึ่งนะเงียบเนาะอย่างที่สองอาตมาแสดงออกไปเนี่ยอาตมามีอิทธิพล แสดงผิดก็ช่งเขาต้องเงียบเพราะาอาตมามีอิทธิพลแต่นี่อาตมาไม่มีอิทธิพลอะไรเลยนะไม่มีอิทธิพลอะไรเลย น, ะ, น ะ, ละอาตมาก็ว่าอาตมาแสดงไปเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อว่าอาตมาไม่ใช่ผู้มีปัญญานะไม่ใช่ผู้มีปัญญานะถ้าไม่อาตมามีผมู้เป็นผู้มีปัญญาเขาจะฟัง แต่เขาชัดเจนเลยว่าอาตมาไม่ใช่ไม่ได้มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่ได้ศึกษามาไม่ได้มีสํานักไม่ได้มีครูอาจารย์ไม่ได้มีอะไรอาตมาประกาศเต็มเลยว่าอาตมาไม่มีครูอาจารย์ไม่ใช่นักศึกษาแต่เป็นคนรับการศึกษาอลไรพูดเปชัดชัดหมดทุกอย่างแต่เขาเงียบสมมุติว่าเขาเงียบแต่นี่ไม่เงียบอตีมาเลยบอกโอ้ใช่แล้วไม่เงียบตีมาเลยก็บอกว่าถ้าเงียบก็มีสองประเด็น อันนี้ไม่เงียบก็ชัดเจนถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องเข้าใจไหม เ, เมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาก็ไปเหมือนกับเช็คผลว่าชัยหรือล่ะอาตมาก็ะทำไว้ทาพยายามทำ ม, มาจนถึงวันนี้เนี่ยไอการที่ตอบโต้มาก็ค่อยๆซาลงซาลงซาลงซาลงจนกระทั่งมาถึงวันนี้หรือมันก็เป็นไปตามธรรม จนสุดท้ายเนี่ยอาตมาแยกมาเป็นนานาสังวัตลาออกมาอย่างชัดเจนมาเป็นนานาสังวาตนี่แหละเป็นธรรมวินัยเป็นทางออกสุดท้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในยุคยุคของพระองค์อยู่ยังมียังมีพระชนชีพอยู่ท่านตรานี้ขึ้นมาก็ยังไม่มีกรณีของนานาสังวัต จะมีกรณีนานาสังวาสก็คือเป็นโดยธรรมชาติถือ่เป็นอติกรรมิกะคือพระเทวทัตและท่าน ก, ปกา็ประกาศกาศสนยกรรมและเหมือนประกาศนานาสังวาสว่าเทวาทัตก็คืออันหนึง่งความเห็นการกระทำาก็เป็นของพระเทวทัตอันนี้ก็เป็นของสงของเราตถาคตอันนึงก็เป็นของเทวทัตนี่คือการแยกเห็นชัดเจนว่านานาสังวาสความเห็นต่าง ก, กัน ท่านก็ไม่ได้ไปจับศึกพระเทวทัตพระเทวทัตก็ว่างท่านไปจนทัางท่านตายเองไม่ได้ไปจับศึกอะไรท่านก็ว่ากันไปแล้วกนท่านก็ออกหลักเกณฑ์มานานาสังวรมีอะไรอะไรต่างๆนานามาอธิคอลกันไม่ได้จะท้วงจะติงจะว่ากันปฏิโกศนาจะค้านกันแรงๆยังไงก็ได้ก็เรื่องของใครของมันอยากจะค้าน่งแรงๆก็ค้านไปอะไรงี้เป็นต้นก็ค้านได้ แต่ไม่ถึงขั้นให้เกิดเรื่องให้กัอธิกรไปฟ้องร้องไปทำนี้ไม่ได้ปฏิโกศนานี่เป็นต้นหลักเกณฑ์มีเยอะหลักเกณฑ์มีหลายอย่างและอันต่างๆนานาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยทีนี้กรณีอย่างนี้มันไม่มีมันก็เลยยากแต่จริงๆประเทศไทยมีเมืองไทยมีและมีผู้รู้พอสมควรด้วย คณะธรรมยุทธนี่เคยเคยเสนอขอแยกนานาสังวาสกับมหามหานิกายเคยทำเคยทำสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่เพิ่งสิ้นไปนี่แหละองค์วัดบวรนี่แหละพญานาคบวรนี่แหละสมเด็จพญานสคบวรนี่แหละก็เป็นองค์หนึ่งที่ได้ลงชื่อด้วยในครั้งนั้นที่ประกาศนานาสังวาสเป็น อง์หนึ่งในอตาตมาจําไม่ได้ว่ากี่กี่รูปนะสิบก็รูปนะจาได้อยู่ใกล้ ก, ลบกลับคราวว่าท่านที่พระสพลกุณาพรท่านที่เนี้ที่เหมือนผสมโสพลกุณพรนวพรวันท่านเป็นเจ้าคุณระดับเนี้ยระดับ <c oughs> เป็นเจ้าคุณระดับต้นนะเป็นที่โสพลกุณาพร น, นะ แต่ก็สุดท้ายก็ไม่รู้อัตมาก็ไม่รู้เรื่องว่าตกลงเป็นยังไงแต่ก็เห็นอยู่กันไปก็อยู่กันอย่างสองสองส่งนี่ก็อยู่กันมาในประเทศไทยธรรมยุตกรรมนิกายก็ว่ากันไปจนเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆปฏิบัติกันไปอัตมาก็ว่าก็ดีแล้วคืออะไรที่ร่วมกันได้ของประเทศก็ร่วมกันเหมือนอย่างนี้ได้ธรรมยุตกนิกายมาร่วมกันในงานที่ไม่ผิดธรรมวินัย แต่อะไรที่เป็นสังกกรรมในทีขั้นที่ตันหามนาน า, นาสังวาสไม่ได้อะไรที่มันได้ก็ว่าไปเช่นเราโอวาทปาติโมกอันเดียวกันเลยนะ7อีเมีทั้งอะไรนีเหมือนกันเลยบทเดียวกันเลยอันนี้เราก็ลงร่วมกันได้ที่มาท่านรุ่ก็บอกรรรมร่วมกันได้แต่ใครจะถือยังไงก็ถักปฏิบัติตามธรรมตตาม ตามหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยอย่างนเป็นต้นนะเพราะงั้นในรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะ่ะอาตมาว่าอาตมาได้ทำแต่พยายามนะทำให้ดีที่สุดถูกที่สุดไม่ให้ผิดเพี้ยนจนกระทั่งอาตมาว่าอาตมามั่นใจในความถูกต้องเนี่ยแล้วเอามายืนยันถึงวันนี้ถึงขนาดว่าถึงขนาดชัดเจนเลยว่าอาตมาตีแรง ถึงขนาดอาตมาตีแรงตีแรงคืออะไรตีแรงก็คือว่าทางด้านสองหมูใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ให้เหลือเนื้อของโล ก, กุตระแล้วนี่คือประเด็นผิดจนเขาตั้งเต็มไปด้วยเดรชนวิช า, าท่านก็มาว่าอาตมาว่าไปว่าเดรชะวิชาทําไมไม่ว่าตัวเองที่อวดอุตตนิพุทธธรรมทำไมไม่ว่าตัวเอง อดุริยธรรมมันร้ายแรงุเดชราชาพิชานะว่างกันเลยนะอาตมาก็ว่าเอออาตมาอดเตระชาโออาตมาอดอุตริยสธรรมนี่อาตมาอวดอย่างที่อาตมามั่นใจว่าอาตมาอยู่ในฐา น, นะอวดได้นะถูกตามธรมมมธรมวินัยพระเจ้านะอาตมาอวดได้ตามธรรมวินัยพระเจ้านะและยิ่งอยู่ในฐา น, นะที่อาตมามาในยุคนี้การนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นอจินไตยที่ยากที่จะเข้าใจ ยากที่จะเข้าใจน่ะอัตมาอยู่ในฐานะทาได้ปฏิบัติได้แต่ท่านทำอย่างนั้นน่ะราชานวิชาท่านดูแลไม่ไปเอาฐานแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ไปเอาเรื่องเอาราวาอะไรต่างๆนะันน่ะสารปล่อยให้มันเลอะเทอะมาเรื่อๆยๆอัตมาสงสารจริงๆเลยเห็นธรรมเห็นศาสนาเนี่ยโฆษณาพระเครื่องกลางของครั ง, งเกจิอาจารย์กันเต็มหน้าหนังสือพิมพ์เต็มหน้าข่าวครา ว, าวทางโทรทัศน์ไปกันใหญ่ ต่า ง, างนาๆนานาแม้แต่ทำทานเรียรายกันเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรพวกนี้น่าอายน่าอายเรียรายนี่ก็น่าอายยิ่งแล้วนะนานาเรียรายต่างๆเนียซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้ทำกันตลอดอยู่งั้นนะ่ะผ้าป่านี่เป็นต้นก็ผิดพระธรรมวินยัย ผ้าป่าเนี่ยพระรู้ไม่ได้นี่พระจัดเองเลยนะจัดทอดพระป่าเองโดยทำน่ะพระพระอาทิตย์ใครจะทอดพระป่าเนี่ยไม่รู้หรอกพรผ้านี่ยของใครเอามาทิ้งให้เนี่ยผ้านี่ของใครไม่รู้ไม่รู้ตัวแล้วมาทิ้งก็ต้องแน่ใจว่าเขาทิ้งหรือเปล่าเป็นผ้าบางสุกุลแน่หรือเปล่าพระผ้าป่าคือผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของแล้วแน่ใจนะ ก็จะต้องตรวจสอบดูว่าแน่ใจนะว่าเป็นภาพบางสกุนจึงจะไปรับเอามาได้พระป่านะให้รู้ตัวผู้เป็นเจ้าของไม่ได้โอ้โหนี่มาเลยเป็นเจ้าภาพเป็นประธานกระถินก็โอ้โหไม่ใช่กรถิน อ, อันตามาเรียกกะทะทองแดงพูดแรงนึงกขนาดนั้นทอดกระทะทองแดงกันคือมัน ยิ่งพูดถึงทานหรือบริจาคแบบเนี้เป็นปรามาทศแล้วนี่ล้มเล้วหมดเลยมีแต่กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วจะทำยังไงาศาสนาทานศีลภาวนามันไม่ได้เป็นสมาธิิข้อภัยนะอาตมาพูดไปกวิพากษ์วิจารว่าว่าว่ามิตติติติก ต, ต, ต, ต, ติที่จริงท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านน่าจะติถ้ามีหน้าที่เป็นปุปปชาเป็นอาจารย์เป็นเจ้าคณะต่า ง, างๆนานาน่น า, นนานจะติ จริงๆแล้วน่าจะเลิกทำด้วยแต่ทำซะเองอีกอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงขันโชว์อาตมาบ้างไหมเนี่ย <Thank you. S 1> เห็นใจเธอเห็นใจบ้างขันโช ว, ว์เห็นใจฉันบ้างเหอะ <Thank you. S 1> เห็นใจอาตมาบ้างไหมเนี่ย <Thank you. S 1> <laughs> นะมัน แล้วต้องทําด้วยเพราะไม่ทําก็ไม่มันไม่มีใครปรามเลยท่านหน้าที่ท่านควรจะปรามกันท่านควรจะต้องมีทําหน้าที่จริงๆเลยนะแต่ท่านไม่ทําสนับสนุนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกระโครมก็โครมซะอีกส่งเสริมกันอีกอาตมาว่าอาตมารักศาสนาพุทธนะแล้วอาตมาทำเนี่ยเสียรังวัดนะถูกว่าถูกอะไรไต่างๆถูกเกลียดถูกชังเยอะนะ นะแต่ตรมาก็ไม่รู้จะทำยังไงมันไม่มีทางเลี่ยงศนะาสนาพุทธอาตมาเคร์ยืนยันบ่อยๆเลยว่าศาสนาพุทธมีบุ ค, คลิกบุ ค, คลิกและคาแรคเตอร์มีบุ ค, คลิกของการตาหนิเป็นหลักศาสนาพุทธมีสเลกธรมไม่ใช่มี มีการชมเชยยกย่องกันเชิดชูกันอย่างเดียวไม่ใช่เชิดชูเด่ไม่ใช่เป็นการตําหนิขัดเกลารเป็นศาสนาสันเเลกธรรมสัจธรรมสันเลกธรรมนิยายนิยธรรมสันติธรรมนี่เป็นลักษณะสี่ของศาสนาพุทธนะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตง้องมีลักษณะขัดเกลาขัดเกลาก็คือตำหนิตีเตียนสิ่งที่บกพร่องให้เปลี่ยนแปลงขัดเกลาร์ และบรรลุทุกพ้นทุกจริงนิยาณ้กรรมสันติธรรมไปสู่ความสงบเรียบร้อยนี่เป็นเนื้อแท้ในธรรมสัจจคความศาสนาพุทธศาสนานะพราะอาตมาก็า่าอาตมาทำอยู่ในร่องในรอยของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันไม่มีใครแม้พูดแล้วไปกระดากมันไม่มีใครกล้าหานอย่างอาตมาว่าจะพูดอย่างนี้มันเปิดจะหมายว่าจีสังขารออกมาก็เลยดักไว้ ก็ดักไว้หน่อยนึงก็เลยพูดให้ฟังว่าเนี่ยวจีสังขารมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันยังไม่ได้ออกมาเป็นวัจีกรรมเลยสะดุดก็เลยพูดให้ฟังก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ถึงพูดความจริงออกมาว่าวัจจสังขารว่าอย่างนี้แล้วค่อยบอกว่าเป็นวจีกรรมให้ฟังอมันจะยกตัวเองว่าแมตัวเองกล้าหานัางนั้นอวดอ้างว่าตัวเองกล้าที่จะพูดคนอื่นไม่กล้าจริงๆริเงเขายืนยันความไม่กล้าของคนนี่นะอ่ะ ไม่กล้ามันมีหลายอย่างหนึ่งไม่กล้าเพราะกลัวจะเสียลาภยศสันเสริญกลัวจะเสียโลกธรรมสองไม่กล้าเพราะกลัวเขาจะฆ่าโก้เขาจะแกงก้เขาจะทำร้ายมันก็ไม่กล้าสามมันไม่กล้าเพราะไม่รู้จะไปว่าเขาได้ยังไงมันโง่ไม่รู้อะไรเลยมันจะไปกล้าได้ยังไงมันก็ติงออมันไม่รู้อะไรมึง มันมันงงๆงาๆมันไม่รู้เรื่องนะมันก็ไม่กลา้าอย่างนี้เป็นต้นคนไม่กลา้าจึงเรียกว่าอสุรกายมีองค์ประชุมของรูปนามของนามบรรูปของตัวเองเนี่ยไม่กลา้าอสุระนี่คือจิตวิญญาณชนิดนรกชนิดหนึ่งนรกอสุรกายเนี่ยไม่กลา้าไอ้สิ่งที่ถูกต้องทําไมแล้วก็ถูกต้องเรามีหน้าที่แล้วควรจะทําด้วยไม่กลา้า ก็เพราะกลัวจะเสียลาภยศสรรเสริญนะสองกลัวเขาจะอัตตาตัวเองกลัวเขาจะว่ากลัวก็จะตําหนิเสียเหลี่ยมเสียศักดิ์ศรี่าเป็นด่าเปว่าเขาปากมากนะไม่สุภาพอะไรก็แล้วแต่กลัวอะไรต่างๆนานารักดีเกินไหมนะรักดีเกินเนาะเป็นลุงพ่อดีเนาะไปหมดอะไรก็ดีเนาะดีเนาะ ไม่มีเสียทักอย่างนะหรือไม่ก็กลัวเขาจะฆ่าเลยกลัวเขาจะทําร้ายเลยแล้ว อ, อีกอย่างก็อสุรกายเลยก็ไม่ใช่โง่เลยเดร์ดาชานเลยอสุรกายพูดไปแล้วกลัวเสียลบับเสียยศกลัวสิ่งผู้ฆ่านี่ก็สุรกายแต่อที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรโง่ไม่เข้าใจไม่รู้จะไปกล้าอย่างไงจะกลา้ า, ง ไ, ลาไงก็ไม่ออกถ้ากล้าก็กลายเป็นคนบบา้บาบา้บาบา้าบินหามเมอม์ อ, อะไรไปเรื่อง ไม่เกีเรื่องนะอันนี้อาตมาก็กลิ่นเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอาตมาทำอย่างนี้ทําไมทําไมต้องทําอย่างนี้อยู่และจะต้องทําไปอีกหนักกว่าเก่าเรื่อยๆบอกนําหน้าไว้ก่อน <c oughs> นะจะทําหนักไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เจตนาที่จะไปทําอวดดีอวดดีว่าทําร้ายอะไรนะนะไม่ใช่แต่ว่า จำเป็นต้องทำาละไว้ในฐานที่เข้าใจนะอนทีนี้มาเข้าสู่เรื่องที่อัตมาจะพูดดีก็พูดเรื่องเก่าอีกแหละเติมเรื่องที่ยังเข้าใจกันไม่ได้แล้วมันผิดเพีย้ยนแล้วมันไม่พาบรรลุเรื่องอะไรเรื่องโลกุตตรธรรมนะเรื่องโลกุตตรธรรมในโลกุตตรธรรมในพระตรปิฎกเล่มสาอข้ออ่า เดี๋ยว31ข้อ340หรือไงหรือ240จะไม่แม่นแล้วนะที่บอกว่าโลโุตรธรรมีี40มีมี0อีเลยนะเริ่ม31ข้อ620ที่ท่านตรัสว่าโลกุตรนะนั้นมี46กโลโตระทำเก ตั้งแต่โซดาปฏิมาไปจนตั้งถึงนิพพานโซดาปติมาโซดาปฏิพลสกิทาคามีมกักสกิทาคามีพลอนาคามีมกัมกอนาคาามีพลอรหัตมกักอรหัตผลแล้วก็นิพพาน9นั่นคือบุคคล9ก็เป็นโลกุตระเทีนี้ภาคมากักภาคปฏิบัติ เ, เริ่มต้นปฏิบัติก็สติปทานสเริ่มต้นจริงๆในสติปฐานสี่ก็คือกายในกาย เพราะนักพู้ได้เข้าใจเรื่องกายในกายและปฏิบัติการในกายอย่างสมาธิก็เริ่มโล ก, กุตระนะเพราะฉะนั้นถ้าธรรมะพุทธเจ้าไม่เข้าไม่เข้ากรอบไม่เข้ารอบของความเป็นโล ก, กุตระมันไม่ใช่เนื้อหาของาศาสนาพุทธจะเป็นความดีงามเป็นความถูกต้องเป็นกุศลและธรรมอะไรต่างๆนานาโลกต่างๆอันนั้นก็นมีโดยปริยายศาสนาไหนมีเหมือนกำหด ทำดีละชั่วประพฤติดีเป็นโลกียะมีหมดโลกียะทธรรมดาละชั่วประพฤติดีที่ตามสมมุติสมมุติของศาสนาไหนก็ทำตามหลักเกณฑ์ของตนเช่นศาสนานั้นระบุว่ากินเนื้อสัตว์ได้เนื้อสัตว์บางอย่างท่า น, นกินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ปฏิบัติไปศาสนานี้มีนัยยะละเอียดลึกซึ้งเลยว่าไม่กินหอกเนื้อสัตว์ รู้จะให้กินมันก็กินไม่ได้นัยยะลึก ก, ม ก, ก, กม็มีหลักเกณฑ์ก็มีเช่นมีหลักเกณฑ์บอกว่าอย่างพุทธเนี่ยมีหลักเกณฑ์บอกว่าอย่าฆ่าสัตว์พุทธศาสนาเคยชนไม่ฆ่าสัตว์ท้าคนไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ ม, มีสัตว์ตายด้วยการฆ่าด้วยเจตนาที่ฆ่าให้ตายที่เรียกว่าอุทิบศบังสักด์ซึ่งก็ขยายและแปลความอุทิศบังศักกันคนละอย่างไ อ, อย่างงี้เลยคือความเห็นต่างซึ่งมันห้ามไม่ได้ มันเป็นความจริงท่านเขาเ้าใจความหมายของอุทิตมังสะอุทิตสมังสะว่าเจตนาระบุบุคคลเราบอกไม่ใช่ะบุบุคคลระบุ ก, การค่าแต่ถ้าไปแปลว่าระบุบุคคลก็อ้างอิงมันจะเป็นกเล่มเดียวกันสูตรเดียวกันด้วยก็บอกว่าไม่ใช่ระบุบุคคลต้องระบุบุคคลจึงจะกินไม่ได้ในสูตรนั้น ระบุบุคคลเพราะว่าจะไปถวายพระพุทธเจ้ากับตถาคตกับสาวกตถาคตอันนั้นเป็นคำกลางเป็นคำกลางให้รู้ว่าถ้าถวายตถาคตกับสาวกตถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อไม่ใช่ไปเริบุว่านี่เขาฆ่าเพื่อถวายตถาคตถวายพระสาวกตถาคตนะไม่ใช่อันนั้นเป็นคำกลางคําบอกกว้างๆว่าในห้าข้อเนี่ย เป็นบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยห้าข้อนี่นหข้อนี้อะไรบ้างหนึ่งบาปอันหนึ่งก็คือมัน ค, คล้ายๆกันอยู่สองบทบทนึงเนี่ยสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้นี่ อันนี้มันอะไรอะแล้วก็พยายามฆ่าอันนปาราธิบาตแต่อันนี้คืออะไร อ, ะอ่ะอัตอมาก็จำไม่ค่อยแม่นอ่ที่ลงท้ายด้วยว่าถวายพระพุทธเจ้าเอามาถวายแล้วก็ยินดีในเนื้อสัตว์นี่มาเป็นอันมากข้อที่ห้านี่สัตว์ที่ ที่ได้ถูกลากมานี่ก็ทุกนี่คืข้อที่สผูกลากมาข้อที่สาย้อนไปข้อหไปนะข้อที่สองอะไรข้อที่สามนี่ถูกถกลากมาข้อที่สองี้ไปเอานึ่ไปเอาสัตว์นั้นมาระบุว่าสัตว์หนึ่งสัตว์ระบุสัตว์ไปเอาไก่ตัวนี้มาเออเจ็ไก่ตัวนี้นึ่ข้อที่หนึ่งบอกล้วอาไปบอกไปเอาสัตว์นั้นมา สองเอสองหรือสามคนก็ไป<อ>บุ๊อสองไปจับอสามสัตว์เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เป็นบาปเป็นมากข้อดีสาส<อ>่ะหนึ่ ง, งนนไปสัตว์นี่มาไปเอาสัตว์นี่มานะไปเอาไก่มาอสอง สัตว์ก็ได้รับทุกข์ก็เป็นบาปข้อที่สองสามจงฆ่าบอกให้ฆ่าสัตว์อันที่สา ม, ส, ามสี่เมื่อถูกฆ่าต้องสเสวยทุกข์อีก5าเอาไปถวายยังตถาคตหรือสาวกตถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อที่เจตนาฆ่าให้ยินดีด้วยเนื้อไปถวายให้ยินดีด้วยเนื้อ ไม่ใช่ไปเจาะจงจะถวายพระเจ้าหรื อ, อสาวกพระเจ้าเป็นความหมายว่าไปถวายสงเนี่ยให้ยินดีด้วยเนื้อเนี่ยคุณจะฆ่าถวายนี่ยอย่างนี้คุณทําบาปทั้งนั้นนะและความเป็นจริงนั้นในความหมายว่าเจาะจงอะไรเจาะจงทําร้ายสัตว์ปาณาติบาศสัตว์ ตั้งแต่เริ่มต้นจิตบอกว่ามันมีแล้วเจตนาไม่ดีแล้วไปเอาสัตว์นั้นมาพอเอาสันนั้นมาสัตว์มันจับถูกจับมามันก็ทุกข์มันก็บาปเพราะมันเกิดกรรมกริยาแล้วอันนี้พูดบอกเทวนนั้นเจตนาคุณผิดคุณบาปแต่ต้นสองพอเริ่มกรรมนั้นสูงขึ้นไปจับสัตว์นั้นมาบาปเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพราะกรรมกริยาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเกิดสัตว์นั้น ได้ถูกกรรมทรมาณหรือว่าจับตัวขึ้นมาเป็นขั้นที่สองจับตัวมายังไงยังไงก็จะจะลำบากยิ่งขึ้นข้อที่สามสั่งให้ฆ่าเลยแต่นี้มันก็หนักกันดิสั่งข้อที่สีก็ทุกทรมานเพราะถูกฆ่าเป็นขั้นเป็นตอนเสแล้วยังอุตสาห์หลงผิดอีก จะไปมอมเมาพรัตถาคตจะไปมอมเมาสงสาวคพระพุทธเจ้าอีก <_ S 1> เพื่อให้ยินดีในเนื้อสัตว์แทนที่คุณจะบอกไปเอาพืชมาทำถ้าพืชมาทำคุณก็ไม่มีบาปอะไรเลยเออไปเอาเอา่นั่นนะ่ะผักหลังบ้านไปเก็บมาเอาโอโอ้โหเนี่ยไปลำปีกำลังลกลูโลกโตเลยอะไรแล้วแต่ก็เอามาทำ เอออย่างนี้คุณจะไปทํำยังไงไปตัดมายัางไงมันก็ไม่มีบาปมันก็ไม่มีทุกข์นะกระลำปรีก็ไม่แต่มีเวรมีภัยไม่พยาบาทอะไรเลยมันไม่มีทุกข์อะไรต่อกันตกันเลยนี่คือนัยยะของปรมัตาธรรมเป็นอรจินไตเป็นกรรมวิบาก ท, ที่ลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันอย่างนี้ต่างคนต่างก็อธิบายกันไปบทเดียวกันสูตรเดียวกันแต่อธิบายต่างกันความเห็นต่างกันจริงๆ อย่างนี้เป็นต้นอาตมาเคยอธิบายอย่างสนุกสนุกตลกตลกแล้ว <c oughs> เช่นอย่างนี้แหละอันนี้ก็ได้ถ้าสูตรนี้นะบอกว่าเอา้าเราไปนิมนต์พระพุทธเจ้าถงสาวงมาฉันอาหารเสร็จแล้วคุณก็ไปเอ้าเอ า, เอาบอกให้ฆ่าสัตว์นั้นมาทั้งสี่ข้ อ, อนี่เสร็จ และคุณก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ฉันไม่ได้ใช่ไหมถ้าซื่อพาซื้อตามที่คุณตีความนะ่ะพระพุทธเจ้าภาษาว่าก็ฉันไม่ได้ พ, พ่อมาอุทิศมังสาคุณอธิบายอย่างนั้นว่าผู้ที่ระ บ, บุชื่อนั้นฉันไม่ได้ฉันบาปผิดวินัยผิดเนี่ยที่ห้ามเนี่ยใช่ไหมและคุณทำไปทำไมเมื่อยเมื่อยเปล่าๆทำไปทำไม ฮะทำให้ฉหลาด น, น้อยไปทำไมไม่ได้วางงูนะใช่ไหมท่านบเนินตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยที่ว่าเนี่ยนี่คือแปลความอุดหมายของอุท ธ, ธิสมังศะเจาะจงถวายพระพุทธเจ้ากับภาษาวกนี่พอไปอารันธนาท่านมาฉัมาชันบ้านเราก็จัดแจงเอาสัตว์มาฆ่าถวายปับ๊บเป็นไงอะ ก็ถวายทําไมละถวายไม่ได้มันห้ามอยู่แล้วในวีไนอะใช่ไหมเฮ้อตลกไหมอาตมาตะก่อนไม่ได้อธิบายอย่างนี้อาตมาอธิบายว่าเพื่อนคนนึงมาถึงบ้านไม่รักกันนานมาเจอกันทีมันเฮ้ยดีๆแม่อีนุไปเอาไก่ไอีโต้งมาต้องฆ่ามันแล้ววันเนี้ยเอามาแกงต้มขาไก่ให้เพื่อนกินหน่อยฮะเพื่อนก็ตัก ฆ่ามาไปแม่ใช่แม่หนูก็ไปฆ่าไก่มาต้มให้เพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่ากินไม่ได้หรอกผิดพระพุทธเจ้าห้ามเพราะว่าไอ้ น, นี่เป็นอุทิศมังสะเพราะระบุ ป, ประฆ่าเพื่อเราอาตมายกตัวอย่างแต่อย่างนี้แต่มันก็ยังไม่ชัดเทวันนี้ถาวายพระพุทธเจ้าก็สาวกเนี่ยถ้าจะชันได้หรออุทิศมังสะใช่ไหม นี่คือการเบี้ยวบาลีตีความเข้าข้างตัวเพื่อจะได้มีช่องแคบนิดหนึ่งก็ไอ้ น, นิจ บ, บูแค่คนนี้เพราะถ้าคนอื่นไม่ได้ค้าเพื่อเขาหรอกเพราะของในตลาดค้าอยู่ในเขียงหมูเขียงงัวควายอะไรที่ค้าอยู่ในกลางตลาดเขาไม่ได้ระบุใครเพราะงั้นฉันได้หมดแหละไปซื้อมาก็ฉันได้หมดซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ด้วย อ, อ, อีกอันหนึ่งก็คือมังสวณนิชาก็ไปแปลเบี้ยวมังสว่ก็คือเนื้ อ, อยากค้าขายเนื้อสัตว์ ฆ่าก็ไม่เหตาเนื้อสัตว์ก็ไม่ค่าให้ขายไอ้ค่าขายเนี่ยเป็นเรื่องของคารวะเนี่ยมันใจดวงของพระนะ <c oughs> พวะนั้นคารวะพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามธรรมบูรุษเจ้าอนามิตมิช่าวณิชามันบาปทั้งนั้นทั้งหข้อนะอนามิตมิช่าวณิชานะอย่าประพฤติท่านสอนพุทธศาสนิกชนทุกคนคือเมื่ปฏิบัติตามธรรมบูรุษเจ้ า, นน า, า, า, านะแล้วนะลมันจะได้กินตรงไหนแล้วค่าขายก็ไม่ได้อ่าฆ่าก็ไม่ได้ ก็มีประวัติมังศส์สองสองอย่างซึ่งอธิบายไปหมดแล้วโจกระตั่งโอ้โหนี่ก็มาทวนอธิบายแต่ก่อนนึกอธิบายปากเปลี่ยกปากแฉเดี๋ยวนี้ก็นานๆมากับฟื้นสักทีจจกระตั้งจำสูตรไม่ค่อยได้นะอ่าเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะประวัติมังศะคนยิ่งไม่มีทางที่จะมีกิน จะมีเนื้อหมาถูกรถยนต์ชนตายตามข้ า, ขาถนนก็ไปกินนี่สัตว์อะไรละ่ะที่มันจะตายเองอะแล้วส่วนมากมันตายเองก็ไม่ค่อยกล้ากินมนะันโอ้ยมันถูกโรคอะไรโรคหาโรคนั่นโรคนี่อะไรกินมันไปกล้ากินยังไงหรือเดินเสือกินอย่างเงี้ยคุณไปเอาเดินเสือกินที่ไหนมา เพราะงั้นก็คุณกว่าจะได้กินเนื้อสัตว์คุณก็ตายแล้วไม่มีทางได้กินข้าวนานานเออนานๆนนตายตัว <laughs> ยิ่งยุคนี้แล้วยิ่งโอ้โหสัตว์มันก็อยู่มันที่ไหน ๆ, ๆ, ๆคุณเลี้ยงก็ไม่ได้คุณมาเลี้ยงคุณก็ฆ่าไม่ได้อ่าฆ่าไม่ได้ถ้าคุณจะได้ยังไงคือพูดแล้วมันยิ่งชัดเจนที่สุดเลยว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันกินไม่ได้ในศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้านั่นสุดยอดรู้ไหมและอาตมาอธิบายให้ฟังไปด้วยว่าอย่าว่าแต่ยุคของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ยุคนี้ในเมืองอินเดียเนี่ยไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆเลยศาสนาฮินดูเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์และเขาก็รู้กันทั่วประเทศเป็นวัฒนธรรมมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันนี้เขาก็อนุโมทนาสาธุกับคนไม่กินเนื้อสัตว์อยู่ทั้งนั้นแหละแล้วคนไม่กินเนื้อสัตว์ก็นเยอะในในอินเดีย พราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเขาเข้าใจดีหมดแล้วว่าไม่กินเนื้อสัตว์เนี่เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆศาสนาเคร่งๆตั้งหลายเขาไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยน ะ, นะเพราะงั้นยุคพระพุทธเจ้านั้นยิ่งยุคสมัยโน้นะมันไม่มีใครพระพุทธเจ้าเนี่เป็นฮินดูเดิมเป็นพราหมณ์ในระดับพราหมณ์ชั้นสูงด้วยท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ตระ ก, กูลมาเลยจนกระทั่งสินปชน และก็เป็นที่รู้กันดีทั่วไปว่าไม่ต้องไปบังคับหรอกให้สำนึกก็ส่วนใหญ่เขารู้กันทั้งนั้นนะว่าไม่กินเนื้อสัตว์ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ฝังดีปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลเขาไม่กินเนื้อสัตว์กันหรอกมันรู้ทั่วกันเป็นวัฒนธรรมสากลยุคน้นในองอินเดีย ก, ก็รู้หมดพเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมาออกกฎเข้ามาให้มันเสียเวลาเมื่อยทาไมพระพุทธเจ้าจะออกกฎมาเมือม่อเป็นจําเป็น จำเป็นสําคัญจึงออกกฎออกวินยัยถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่ออกมีที่น่าสังเกตอยู่ตรงที่ว่าพระเทวทัตไปขอขอให้ออกกฎบังคับเลยมีข้อหนึ่งคือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไอที่ข อ, ขอมาในะเคร่งทั้งหมดพระพุทธเจ้าไอที่เคร่งเกินไปท่านก็ปล่อยให้เป็นไปตามสัจธรรมนะยิ่งเรื่องกินเนื้อสัตว์เนี่ย ก็บอกและอธิบายแล้วว่าผู้ที่มีสํานึกผู้ที่รู้ดีเขาไม่กินหรอกเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดยังกินอยู่ก็ปล่อยไปมันเป็นเรื่องของสํานึกของเขาเขาทนไม่ได้เขาก็กินบ้างท่านก็อนุโลมพเพื่อกรบอกไปแต่จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกมีน้อยใครกินก็ต้องหลบกินเลี่ยงกินเหมือนอย่างพวกชาวโสมกันทุกวันเนี้ยใครจะกินเนื้อสัตว์ต้องไปหาเลี่ยงเลี่ยงกินหลีกกินที่ไหนๆใช่ไหมใครจะมากินประเจิดประเจิดทิศไม่มี แค่กลุ่มเล็กอย่างอโศกนะนั่นกลุ่มใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมือง <c oughs> ใครยังมานั่งกินประเจิต์ประเจรต์แล้วก็รู้ดีพระเจนั้นพระเทวทัตขอเนี่ยพระเทวทัตเองแท้ๆขนาพระเทวทัตยังไม่ฉันเนื้อสั์เลยโอ <c oughs> ถ้าพระเทวทัตฉันเนื้อจะมาขอ <c oughs> <c oughs> ได้หรือพระเทวทัตยังไม่ฉันเนื้อสันเลยแล้วพระอื่นๆทําไมจะไม่ฉันเนื้อจะไม่จะไม่ฉันเนื้อสันเยอะนะยิ่งในประเด็น ในนี่แหละในเรื่องของไอ้บนสุดโดยส่วนสามนี่แหละชีวะกระสูดนี่แหละประเด็นที่บอกว่ า, าเจรกะเขามาทวงพระพุทธเจ้ามาเจ้าข่าเออเปประกาศทั่วตลาดอ่าพระพุทธเจ้านี่ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินแล้วเนี่ยนะว่าเขาจะประเคนเนื้อสัตว์ผือสียห่าดีไปเอาเนื้อสัตว์จากไปสั่งเอาเนื้อสัตว์จากตลาดมา เขาว่าเจ้าดีก็เป็นพวกเจรกะพวกยังมีกินเนื้อสัตว์เขาไม่รู้เขาก็จะไปเอาอาหารมาอังคาาพระพุทธเจ้าไปเอามาทำอาหารทีนี้พวกฝ่ายคงกันข้ามแ ข, แข่งกันในเรื่องาศาสนานี่ก็จะดีสเครดิตพระพุทธเจ้าก็ไปประกาศประกาศชาวบ้านจะข่าวเออพอได้ข่ารู้แล้วว่านี่เนเกเขามีอาหารเนื้อสัตว์มาประเคนพระพุทธเจ้า ประกาศดักหน้าเลยว่าเจ้าข้าเอ้ยพระพุทธเจ้าท่านชันเนื้อสัตว์นะเนี่ยสีขาวดีไปให้อามาดไปซื้อเนื้อสัตว์จากตลาดมาแล้วก็มาทํามาขายมาอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้อยู่เนี่เนื้อสัตว์รู้อยู่ใ น, ในตลาดข่ามาก็ทั้งนั้นก็เจตนาฆ่าตายทั้งนั้นน่ยโดยโดยความหมายนีคือคนเจตสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเจตนาเจาะจงฆ่าโดยคนไม่ได้หมายความว่าไปเจาะจงบุคคล อย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ถ้าใช่มันก็ตลกอย่างที่ว่านี่เนี่ยพระพุทธเจ้ากับพระสาวกก็ไม่ต้องฉันกันดิฉันได้ที่ไหนก็นเป็นอุทินบางสะห้าคอเนี่ยนะมาก็ชันไม่ได้เพราะงั้นไอ้การไปประกาศนี่นะประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองนี่สแสดงว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์หรือไม่ฉันถ้าท่านฉันเนื้อสัตว์เป็นสามัญปกติอยู่แล้วมันจะไปประกาศหาอะไรกันเนา เออไอ้บ้าก็พระพุทธเจ้าที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นสามัญเนี่ประกาศฮาอะไรมันดีสเครดิตอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์พวกที่คงเงนข้าถึง่เป็นประกาศชาวบ้านนกเจ้าค่ะเพื่อที่จะได้ไม่นับถือว่านี่แย่แล้วเป็นพระอะไรฉันเนื้อสัตว์เป็นพระอะไรนักบวชอะไรฉันเนื้อสัตว์ใช่ไหมก็เป็นประกาศชาวบ้านเปิลเพื่อที่จะให้คนก็ไม่ศรัทธาเรื่องสายพระพุทธเจ้าเพราะว่าโอ๊ยเป็นพระไม่ดีหรอก ชัดเนื้อสัตว์อยู่เลยใช่ไก็กประเด็นนี้ยิ่งชัดเลยในชีววิทยาสูตรนี่แหละก็สูตรเดียวกันเนี่ยอุทิบางศาสสามนี่เอไม่ใช่บริสุทธิ์ยส่วนสามนี่แหละอย่างเงี้ยตีความหมายกันเบี้ยวลีเข้าข้างตัวนะซึ่งอันนี้ในในรายละเอียดในยะอันละเอียดละเอียดพวกนี้เนี่ยอัตมาก็ยีบมาพูดหมดแล้วล่ะนี่ก็พูดลื้อฟื้นเก่า นึกออกแค่นี้นึกอุดอึก็เอาอีกก็ได้แต่ว่าไม่นึกแล้วพอแล้เมื่อยแล้วนะตอนนี้ก็จะมีทำํำโรงบุญโรงบุญห้ธันวาก็พูดถึงเรื่องอาหารอเหนก็เกี่ยวอาหารเพราะฉะนั้นก็ทําอาหารมังสวิรัตเนี่ยเป็นโรงบุญห้ธันวาที่เราทำมาตั้มาตงปง 25, ี25 32ปีแล้วเนาะ เราทำกันมารณรงคนะ์งมาจกนกทั้งทุง่งวัดนี้โอ้โหติดตลาดขึ้นเยอะมังสวิรัตนะนี่เรื่องของอาหารเรื่องของอะไรที่กระทู้ทบทวนไปอธินามาเข้าเรื่องที่อาตมาเจตนาว่าโล ก, กุตรธรรมเนี่ยโล ก, กุตรธรรมก้ายกไว้คือบุคคลที่เป็นอารียะบุคคลในพระเตปิโดกเนี่ยเล่มบ14เนี่ยนะ ในอาณาปานาสติสูตรนี่เลยสูตรนี่เลยสูตรนี่เลยนะเอาอีกยืนยันอีกที่จริงพูดไปบ้างแล้วมันจะต้องพูดอีกหลายร้อยหลา ย, ลายพันครั้งนะพระพุทธเจ้าท่านขึ้นต้นในอาณาปานาสติสูตรมาไลา่มาตั้งแต่ข้อ282มาเรื่อยพราะ200อั น, น, นก็ เก ล, น, เกลนมาเรื่อยๆ282ยพอ283 284น่ะก็น่ะพูดถึงบุคคลที่น่าเคารพนับถือมาน่ะบุคคลทักคินนอยบุคคลน่ะอาหุนออยบุคคลอะไรมาเรื่อยๆพอ285รน่ะท่านก็เริ่มต้นเลยว่าในาศาสนานี้ในาศาสนาของพระเจ้น า, า น, านี้ที่ปฏิบัติทำมาเนี่ยก็จะมีบุคคลที่ปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ เป็นเช่นนี้นะแม้ปฏิบัติอาณาปานสตินี่แหละก็จะได้เป็นโลกุตรธรรมย้ำนะปฏิบัติอาณาปานสติเนี่ยจะได้เป็นโลกุตรธรรมฟังดีๆนะวันนี้จะขยายความซ่อนลึกเข้าไปอีกโลกุตรธรรมก็คือก้อนนี่แะบุคคลสีเนี่ยโลกุตรธรรมมรซีพผลสีแล้วก็นิพานหนึ่งเนี่ยตั้งแต่หนึ่งพระขีณาศพ ในข้อ285ใครมีปฏิบัติตกเปิดเลยสองพระอนาคามีพะระสกิรโสร์คือพระอรหันต์สองนี่แหละบุคคลเหล่านี้ก็มีอยู่ในศา ส, สนาเราเนี่ยปฏิบัติแล้วจะได้อย่างนี้ได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพะระอนาคามีได้เป็นพร ะ, ะสกิทาคามีได้เป็นพระโซดาบันรวมแล้วก็คือโลกุตระเกอรหันต์ก็มีนิพพานอนาคามีก็มีนิพพานในการมาพบอ่า สกิทาคามีก็มีนิพพานใน อ, อบายภพนะโซดาบันก็เริ่มต้นรู้จักอบายภพแล้วก็ลดลงมาอาจจะยังไม่เป็นนิพพานทีเดียวแต่จะถือว่านิพพานนานไปก็ได้นิพพานเหมือนกันเพราะว่าอบายภพที่ปฏิบัติไปไป ไ, ปไปถึงเวลาหนึง่งก็เป็นอรหั ต, ตผลเป็นตัวสมบูรณ์ในกิเลสส่วนนั้นก็ไล่เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆโซดาบันก็เริ่มต้นแล้วก็ได้มาเป็นโซดาบัน ก็ได้คุณธรรมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยตามลำดับทีนี้จะได้คุณธรรมพวกนี้ต่อจากบุคคล4นีข้อ285ขึ้น286้ท่านก็เริ่มเลยว่าย่อมภิกษุในพระสงฆ์นี้นะพอจบดูกระพริกษุทั้งหลายมีภิกษุในในภิกษุสงฆ์นี้เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปัฏฐานสอยู่ นี่อยู่ในข้อ285ารกราพท้ายปริเชษท้ายจากจบบุคคลสแล้วบุคคลสนั่นแหะคือโลกุตร9ะ9ตั้งแต่พระอรหันต์ก็มีนิพพานแล้วแต่ก็ไล่ยมาอีก8บุคคลก็ได้ไปตามลำดับเป็นเพราพอจาก9ผลของ9นั้นแล้วเลื่อนมาแล้วท่านก็ต่อมาถึงย่อมมีพิกษูในสงฆ์นี้ ที่ประกอบผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปทานสแม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่โลกุตระเริ่มต้นสติปฐานสและนับให้ละเอียดลงไปถึง37โลกุตระตามประธรรปิโกเริ่ม31ข้อ620ทยี่ยืนยันเมื่อกี้นี่ว่าโลกุตระมี46มี9โลกุตระเก้านั้นบวกกับอีก โพธิปักยิทธรรม3ิซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สติปทาน4ีก็คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็ไล่ไปสมบัติทาน4ก็สวรรค์สี 4, ป่ประหาสวรประธ า, านประาหรรารประธานภาวนาประธานรักณาประธานไล่ไปจนถึงสุดท้าย7ข้อเนี่ย 7, ข้อนี้แยกน่7 น, นะ่าเพราะว่า มีอย่าง4อยู่สนิบสี่สมมตประธานสอินทิบาร4สี่ะแล้วก็อินสหพระห้แล้วก็พุทงเแล้วก็มักแป8แปดนะ 4, 5, 7, 8, สูตรที่อาตมาเอามาพูดตรง ต, ต, ตอนไหนใดพวเราก็มีเลขสําคัญพวกเราเนี่สำคัญจนเราตั้งถือเป็นเลขสําคัญอพอไปจองทะเบียนรถก็ไปขอเลขนี่เขาตารวจก็บอกว่าเฮ้ยจ่ายเจอจ่ายเงินสิเลขงามนี่ต้องการเลขนี้ต้องจ่ายเงิน หลายคนก็ต้องไปยอมจ่ายเงินเขาแล้วก็ได้ถึงได้เป็นเลขมันไม่มีใครแย่งหรอกแต่มันไดน้นก็มีตัวข้างหน้าตัวกอไก่ขอไข่อะไรตัวอะไรกากับแต่ว่า4578้เนี่ยเลือกมาได้ก็ได้เลขนี่มาแม้แต่รถอาตมาอย่าง4578เลยไม่ใช่รถอาตมารหรรถที่เขาให้อาตมาใช้อาตมาไม่มีเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกเขาซื้อมาให้นี้เขาก็จะเปลี่ยนให้อยู่เขาบอกว่าอย่าพึง่งอย่าพึ่งใช้ได้อยู่แหม่มึงจะใช้ไป8ปีแกว่าก้าปีเอง นะใช่อยู่เขาจะเปลี่ยนว่ายังยังยังยังใช้ได้อยู่กว่างนาาั้นะก็4578้าเจ็นะคันหลายๆของพวกเราก็ไปพยายามเอาเลข4578้านี่คือตัวเลขสำคัญของผลที่ปักขีทำราม37เพราะนั้นในโลกปฏิบัติตามหลักธรรมตามทฤษฎีของพระเจ้านี่แหละ ให้มันสมาธิแล้วมันเป็นโลกุตระนี่คือลักษณะว่าโลกุตระคืออะไรโลกุตระคืออะไรนอกจากบุคคลโลกุตระ9้าบุคคล8กับนิพพานหนึ่งนั่นแล้วเป็นหลักก็นี่แหละเริ่มต้นไล่มาในอานาปานาสติสูตรนี่ไล่มาเลยพอตบทายข้อส8ง้อก็บอกผู้ที่ปฏิบัติยังไม่ได้นับเข้าไปในบุคคล8หรือนิพพานหนึ่ง ก็เริ่มต้นปฏิบัติก็สิติปทานสแล้วในสิติปทานสก็เริ่มโลกุตร์ละข้อแรกก็กายในกายข้อสองก็เวทนาในเวทนาข้อสาก็จิตในจิตข้อสี่ก็ธรรมในธรรมอย่างนี้เป็นต้นเขต้องเรียนในสมาธิถิแล้วก็ปฏิบัติไปก็จะเกิดโลกุตตรธรรมถ้าเข้าใจโลกุตตรธรรมไม่สมาธิิเข้าใจตั้งแต่ปริยัตเข้าใจแต่คําอธิบายยังไม่สมาธิคุณก็ปฏิบัติไม่มีโลกุตระไม่มี ทำให้สมาธิทิฏแต่ต้นมันก็ไม่ดีไม่เป็นประธานทิฏฐิของคุณตัวแรกยังไม่สัมมาพิจารณากายในกายก็อ่านกันพูดกันพิจารณากายในกายคืออะไรคําว่ากายมาแล้วกํำลังอธิบายอยู่ตอนนี้อัตมากาลังอัตมากำลังอธิบายอย่างสําคัญเลยคําว่ากายคําเดียวนี่แหละทําให้ศาสนาพุทธไม่มีโล ก, กุตตรธรรมเพราะมิฉาทิฏฐิคําว่ากายก็พูดมา เป็นปีละหลายปีละผ่านมานี่ก็สองสมปีล้พูดคำว่า ก, กายย้ำ ม, มาเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาก็นำมาเพื่อจะขยายอาณาปานสติให้ชัดเจนกว้างขึ้นจิบคำว่า ก, กายมาขยายคำว่า ก, กายคำนี้อาตมาขยายความไปไกลเป็นหลักปฏิบัติจะให้เกิดโลกุตระคำว่า ก, กายคำนี้เพราะว่าเริ่มต้นภาคมาภาคปฏิบัติมัก พธทิปักขี้ทรม37นเจเป็นภาคมรคภาคทฤษฎีปฏิบัติใช่ไหมหลักการปฏิบัติเจข้อใหญ่แล้วก็มีแยกข้อย่อยอีก4 5 7 8้าเจ็ดอนนั้ น, นอาณาปานที่เป็นหลักปฏิบัติให้เกิดโลกุตตรธรรมผู้บรรลุจริงก็จะนะ่เป็นบุคคลกับนิพานเป็นโลกุตตรก9ก่อ น, นแล้วจึงจะมี พลธิปกรีทำนี่เข้าไปเริ่มต้นข้อแรกเลยข้อที่บอกว่ากายถ้าคุณเข้าใจพิจารณากายไม่ได้อตมากก็ขยายความไปหลายทีแล้วซ้ำซากวนเวียนผู้ที่ฟังก็ซ้ำผู้ที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจฟังเข้าไปอีกจะเข้าใจลึกขึ้นไปอีกอตั้งใจฟังดีๆสุดสุดสร้างละะเตปัญญงฟังได้ดีแล้วคุณจะได้อธิสงหประการฟังเขาเป็นโอ้ ไอ้ น, นี่เป็นประเด็นเป็นแง่เงื่อนใหม่ฮะโอ้โหเข้าใจได้ใหม่เลย ท, ท, ทั้งนั้นบางทีฟังซ้ ม, มาตั้งร้อยแปดกระเที่ยวแล้วนี่จำนวนเขาสิบอ้วนเขาทําไมเขต้องร้อแปกระเที่ยวทําไมต้องกระเที่ยวก็ไม่รู้ร้อแปกระเที่ยวคือร้อยแปครั้งอะ่ะร้อแปกระเที่ยวสวดมงต์เต้องไปสวดมงที่วัดต้องร้อยแปกระเที่ยวสวดมนต์ร้อยแปกระเทียเท่ยวสิบอ้วนเกษียเปแล้วคนเก่าคนแก่นะ ก็ซ้ำซ้ำไปซ้ำมาก็จะได้ชัดเจนขึ้นนะอ น, นิสงการฟังทําเข้าใจโอ้ฟังเหมือนมันใหม่แต่ที่จริงมันเก่าแต่เพิ่งจะเข้าใจใหม่ๆตอนนี้ก็สอนเข้าใจยิ่งขึ้นก็ซ้ำความเข้าใจที่มันคล่องใจอยู่คลายไปกังขังอะไรก็หาวิหรติต่างนั้นทิฏฐิก็อุชุ ง, อ, อ, ชง อ, ๆๆๆอุชุงกฤทิฏฐิอุชุงกโรติรตก็ทิฏฐิก็ เป็นจิตตรงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นเรื่อยๆข้อกแ็แหววสว่างแจม่มใสเบิกบาน ร, ราเริงจิตใจก็ชอบใจนะมาฟังดีๆสุดสัดส้นละปฏิปัญญงเพราะผู้ไม่รู้กายให้สมาธิิถ้าไม่รู้คําว่ากายสมาธิก็ไม่มีโลกุตระเขายืนยันเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีวันจะได้เป็นอริยบุคคลถ้าเขาใชคําว่ากายไม่สมาธิิจริงๆ ไม่สมาธิถิอย่างไรคําว่ากายอัตมาก็หยิบมาอธิบายบ่อยหลายทีแล้วคุณจะต้องอ่านกายหนึ่งเข้าใจความหมายของกายให้ออกว่ากายนั้นเป็นสิ่งที่องค์ประชุมของรูปกํำนามกายนี่คือองค์ประชุมของรูปกํำนามกายยะนี่แปลว่าองค์ประชุมหรือองค์ประกอบหรือองค์รวม หรือสิ่งที่ร่วมรวมกันอยู่สังเคราะห์สัง ข, งขารกันอยู่สังเคราะห์สัง ข, งข า, นนะารนะกายนี่คือการสังขารเรียกว่า ก, กายะสังขารสังเคราะห์สังขารกันอยู่เรียกว่า ก, กายองค์ประชุมวันนี้รูปกับนามเสนาธิกาห ย, ยิบมาอธิบายโดยเอารูป28มาอธิบายฟังซ้ำนะนี่นเนจาะลึกลงไปอีกรูป28มีมหาพุทธรูปสี่ กับอุปาทารูปอุปาทายรูปอีกย่บสแล้วแต่ผก็แยกให้ฟังหลายทีแล้วมหาพุต ร, รูปสีไม่ใช่กายแยกให้มันเห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่กายมันเป็นท่าที่ไม่มีวิญญาณร่วมเพราะคำว่ากายต้องมีวิญญาณร่วมถ้ากายนั้นไม่มีวิญญาณเข้าไปร่วมไม่มีนามเข้าไปร่วมมีแต่ รูปเฉยๆรู ป, ปรูปังมีแต่รูป ร, รูปอันนั้นไม่ใช่กายอธิบายมาจกนกระทั่งวันในสังขารร่างของเราเนี่ยประกอบไปด้วยกายเนี่ยเพราะนั้นอาการ32ของร่างของเราทั้งเป็นกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยผิวหนังผมขนเล็บฟันผิวหนังมันไม่ใช่กาย เพราะมันเป็นมหาภูต ร, รูปมันไม่มีประสาทรูปทวนใช่ไหมจําได้นะอธิบายมาหลายทีแล้วนะมันไม่ใช่รูปอขอภยัยมันไม่ใช่กายมันถูกรู้ได้แต่มันไม่มีจิตเขาร่วมมันไม่มีความรู้สึกหรือแม้มีประสาทธรรมาที่อาย์เิบาลยงก็ตั้งประสาทคุณไม่ทํางานร่วมเนื่องจากจิตตาคุณเจ๊งต้องเพ่งอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ไป มีประสาทเข้าไปเอาจิตเข้าไปกําหนดร่วมไม่มีสัญญาก็าไปกําหนดร่วมคุณก็ไม่ไม่รู้ไม่รับรู้อ่ะทั้งที่แสงเนี่ยนะมันผ่านเข้ามาตกก็มา่านตางคุณข้างในมันเด้งเลยแต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันมีภาพอะไรแต่ถ้าคุณมีสติเข้ามามานันกาหนดรู้เออมันเอออะไรเนี่ยหรือหูได้ยินเสียงเขาตะโกนโวกเวเวหรือเสียงอะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยถ้าเราไม่เอาประสาทที่จะมีธาตุอินทรีย์เข้าไปร่วมด้วย ประสาทมันมีแต่ประสาทไม่มีธาตวิ ญ, ญญาณเข้าไปร่วมด้วยมันไม่รู้อ่ะเพราะถ้าไม่มีธาตุของอิ ญ, ญญาณธาตุของธาตรู้เนี่ยเข้าไปร่วมด้วยกับดินน้ําไฟลมมหาภูธ ร, รูปหรือแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายองค์ประกอบส่วนนอกองค์ประกอบของผิวหนังส่วนนอกถ้าไม่เอาประสาทธาตรู้เข้าไปร่วมกับประสาทนั้น มันไม่ใช่กายมันไม่ใช่กายเพราะฉะนั้นจะเกิดกายต่อมาเริ่มอุปาทายรูปที่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีภาษาทรูปจึงเรียกว่าอันห้าอันเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายเนียประสาทรูปรูปที่มีประสาทและต้องรวมกันกันกบโจรรรูปรูปที่มันมีการทำงา น, นและดำเนินการกันโจรรรู้วิศวยรูป เข้าไปร่วมสังเคราะห์สังขารไปสัมผัสสัมพันธ์กันขึ้นทําปฏิกิริยาร่วมกันขึ้นก็จึงเป็นสัมผัสสามรือสัมผัสสามนี่วิญญาณเกิดมาร่วมกันตากระทบรูปประสาทตาทํางานจิตวิญญาณเข้าร่วมอธิบายละเอียดเลยนะเนี่ยท่านสั้นก็คือตากระทบรูปเกิดวิญญาณท่านอธิบายสั้นๆอัตมาก็ซอยละเอียดขึ้นไป ก็หาว่าอาตมาพูดเกินพระพุทธเจ้าไม่อธิบายไว้จริงใ น, นพระเตมิตรองไม่มีอธิบายละเอียดขนาดนี้ไม่มีแต่ว่าอตาตมาไม่อธิบายเกินคําพระพุทธเจ้ามันมีไว้อตกลงก็เอาผิดถ้เอาไปประหารกันแล้วกันขออภัยนะอาตมาไม่ได้ประกาศนําก่อนว่ารายการนี้เนี่ยตอนไปลปลายรายการโอ้โหนี่ปากเขาไปทุ่งกวาแล้วอ๋อ แต่ปลายลการอาตมาจะตอบประเด็นจากผู้ชมทางบ้านนะนี่ผู้ที่เขาพอรู้นี่เขาส่งมาบ้างแล้วนี่หนึ่งสองสคนในนี้ส่งมาด้วยาทางบ้านก็ส่งมาอันนี้จำนวนคนในนี้ทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้นะสองสา 2, อันละแต่เอาเถอะทางบ้านก็ส่งมาได้เบอร์โทรศัพท์สองเบอร์นี่ที่ส่งมารอรับอยู่นี่เลยไม่มีใครโทรมาเพราะว่าหรือโทรมายังไม่เอามาเขาไม่รู้นะเพราะยังไม่ได้บอกไม่ได้เกินแต่ผู้ที่รู้แล้วนี่ขึ้น ออจอมีจอมีเบอร์อยู่แล้วผู้ทิ่มีไปพริบเจออ๋อดีส่งประเด็นได้เขาก็ส่งมา089เบอร์โทรศัพท์2660574อย่างที่เคยกับ0824430271นี่ก็เคยใช้เอาอีกทีหนึง่งบอกทวนอีกทีหนึง่ง089266 0574กับ082443 0, 0 2สองสสนองหะหมายเลขเอาเอาละขอแวะมาบอกเบอร์โทรศัพท์ส่งมาเอาทีนี้ก็เข้าต่อจากภาษาทรูปกับโครจรรูปทำงานร่วมกันซึมขึ้นมาเรียกว่ากายะนี่แหละร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันนะตาก็อยู่กับตานะ ส่วนรูปกระูกรู ป, รปมันไม่มาเกี่ยวข้องกันเลยหรือเกี่ยวข้องกันไม่แม่แต่ประสาทของจิตปัญญาธาตุรู้เขไม่ไปทํางานร่วมมันก็ไม่เกิดไม่เกิดภาวะรูปซึ่งเป็นอุปาทายรูปต่อมาอีกอุปาถายรูปยีบสี่ในเริ่มต้นตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและก็รูปรสเสียงโพธพิภพแล้วไอสองอันนี้เข า, ากายนีย่มันแบ่งรวมกันแล้วมันหักไปออกหนึ่งห่างไปอย่างละครึ่ง ครึ่ง ก, กลางนะก็เลยเดือเก้าอะไรงี้เป็นต้นซึ่งอธิบายกันยากเหมือนกันย่ําแย่นะมันไม่เต็มเต็งก็หักออกไปเดือเก้าเพราะฉะนั้นอุปาทายรูปก็เลยลาบากตรงเนี้นะส่วนวิญญาตรูปกายวิญญาตกับไอ้วัจีวิญญาตอันหลังๆที่ไปวิการรูปนั่นบอกว่าเอามาจากข้างนอกเป็นวิญญาตสองพอมาวิการรูปก็มีวิญญาตสองอย่างนี้กายวิญญาตกับ วัจจีวิญญาตร่วมด้วยกับอีก3อยู่ในวิการรูป5ก็พอเข้าใจได้ง่ายมันไม่ยากอะไรเอาจากอาการเคลื่อนไหวจากทางกายก็อาการเคลื่อนไห ว, วทางวัจีมาอยู่ในนี้ก็ไม่ยากอะไรที่จะเข้าใจแต่อันนี้ทีหักออกหรือกเก้าสิบเนี่ยภาษาทะรูป5โครจรรูปหาเนี่ยหักออก1หรือ9เนี่ยยากมากต้องเข้าใจคําว่ากายมันจึงจะชัดเจนมันที่จะรู้ว่าอ๋อหักอันนี้เอง เพราะกายเนี่ยมั น, น, นกลางๆกายมันหมายเอารูปด้วยหมายเอานามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ไม่เต็มเตงรูปไม่มีมีแต่กายมันก็ไม่สมบูรณ์กายจริงๆสมบูรณ์มันคือองค์รวมของทั้งรูปและนามขอแวะไปก่อนจะไม่ต่อภาวะรูปจะไม่ต่ออาถยรรูปชีวิตรูปต่อไปอีก ตั้งใจว่าจะอธิบายรูปๆไปทั้ง28นี่มก็พูดเก่งไว้นานแล้วแต่ไม่เคยทะลุสักทีนึง28อันนี่อีกแหวะอีกแลนะนะที่จะแวะก็คือนะภาษาทรูปกับโคจรรูปรวมกันทำงานนี่แหลนะนะเมื่อกี้ก็แวะไปทีนึงบอกไปทีนึงแล้วว่าแม้แต่ในร่างกายเราเนี่ยข้างนอกเนี่ยผมขนเล็บฟัน ผิวหนังมันก็ไม่ใช่กายเมื่อมันไม่มีจิตวิญญาณเข้าไปประสาทร่วมนะเพราะธรรมชาติธรรมดาถ้ามันยาวออกมาเกินประสาทจะออกมาได้มันไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไรผมคนเล็ฟันผิวหนังอัตมาต้องใช้กาเอาผิวเพราะว่าถ้าผิวนี่มันหนาขึ้นมาแต่ถ้ามันติดบ้ากรเสร็จเลยนะไอ้มวานนะันวันไหนที่อธิบายว่า ถ้าคุณลอกผิวหนังเอาเลยมีแตงแดงเนี่ยมันโอ้โหนั่นแหละหนังหนังแต่ถ้าผิวนี่มันหุ้มอยู่แล้มันนี่มทุกวันนี้มันไม่แสบมันไม่อะไรทีเดียวก็เพราะมันมีหนังมีผิวอยู่แต่มันก็ถึงประสาททันทีแต่ถ้ามันหนาว่าหน่อยเนี่ยโอ้โหคุณเอาทองบุงมาขูดมันก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรถูกได้เลยผิวหนังนี่แหละใช่ไหมนี่คือมันไม่ใช่กายชัดเจนใช่ไหมว่า กายขาดจิตไม่ได้ที่จะอธิบายที่จะแวะเมื่อกี้ก็คือมันไม่ขาดจิตตลอดการจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะท่านกำกับไว้เลยว่าถ้าผู้ใดไม่มีกายวิโมก8์แปดไม่มีกายสัมผัสวิโมกข์แปดไม่มีกายไม่ปฏิบูรณ์เป็นอรหันต์ไม่ได้ไม่รับเป็นอรหรันต์ นั่นจะเป็นหลักฐานยืนยันอันหนึ่งทีนี้คำว่ากายเนี่ยกลับมาอีกีหนึงต้องมีกายถึงจะเป็นพระอนันต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นสโสดาบันก็ตามเป็นสกิทาคามีก็ตามเป็นอนาคามีก็ตามกายนี่จะต้องใช้ตาหูจมูกดิ้นกายอยู่ตลอดเวลาเลยเอา อ, อนาคามีก่อนที่เคยอธิบายไปแล้วแหละ อนาคามีเนี่ยที่กิเลสในอบายภพหมดกิเลสในกามภพหมดก็เหลือแต่กิเลสในจิตเหลือแต่กิเลสในจิตแล้วเหลือแต่กิเลสในจิตเนี่ยท่านมีองค์ประกอบมีรูปไหมมีรูปพระอนาคามีไม่ได้เป็นหลับตาอานาปานสติจึงไม่ได้หลับตา ปฏิบัติล่า ก, กิเลจจนกระทั่งดับกิเลหรือว่าตัดกิเลไปตามลาดับตามเราตั้งแต่โสดาบันมาถึงสันกิทาคามีมาถึงอนาคามีลืมตามาทั้งนั้นเลยอนาปานาสติลืมตาทั้งนั้นเลยเพราะปฏิบัติกับกายสังขารหรือกายะวิญญาณมาตลอดกายะวิญญาณคือวิญญาณที่เกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นจีนกระทบรสทั้ง5้าคู่ของภาษาทรูปโคจรรูปเนี่ย แล้วก็อ่านตัวกิเลสเนี่ยในกายสังขารทําความรู้ในกายสังขารกายะปฏิสั่งเวทีทําการอ่านกายสังขารนี้ให้ชัดแล้วก็ทําให้กิเลสระงับปฏิสัมพยังกายสังขารรังในอาณาประนสติสูตรเนี่ยกระทบตาหูจมูกนิ่งการกระทบเกิดกายวิญญาณแล้วมีกายสังขารอวิชาไม่รู้จักสังขารนี่สังขารหนึ่งสังขารสาม กายสังขารจิตสังขารวัจีสังขารซึ่งอาตมาเคยแหว่อธิบายแล้วว่าวจีสังขารนะ่ะมันจะต้องโอ้โหปฏิบัติเก่งไปถึงรู้จักสังกปปะเจ็ชนะทวนแล้วใครจําได้อยู่ใช่ไหมก็เคยอธิบายไปหมดแล้วนะเพราะฉะนักทูตอวิชชาคุณไม่รู้สังขารที่ถูกต้องนี่คุณก็ปฏิบัติโมเมไปทางนั้นแหละดาวดนเป็นเละเทอนะอวิชชาคุณก็ไม่เป็นวิชาขึ้นไปสมบูรณ์ได้นะ เพราะวิโมก8ม์แปไมส่สมบูรณ์ด้วยกายแล้วก็ไม่มีสัมผัสต้องสัมผัสวิโมก8แด้วยกายอย่างข้อสองวิโมก8แปข้อสองก็ต้องทั้งข้างนอกและข้างในอจจตตังอรูปสัญญีพหิทารูปานิเนี่ยปัสติต้องเห็นต้องรู้อยู่ชาณะโตปัสสตโต ว, วิหรติอยู่สำเร็จอิรียบทอยู่นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่า คุณไม่เข้าใจคำว่ากายต้องมีข้างนอกด้วยคุณจะบรรลุไปถึงอนาคามีไปถึงอรหันต์คุณก็ยังมีตาหูจมูกดิ้นกายมีข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นอุปาทายรูปทั้ง24ตาทำงานหูทำงานจมูกดิ้นกายทำงานรกระทบรูปทำงานหมดเลยเกิดวิญญาณคุณก็อ่านวิญญาณ น, นามทั้งห้า เวทนาสัญญาเจตนาผัดสะมนุสิกานก็จัดการทำใจในใจปฏิบัติใจในใจมนสิกานให้โยนิโซ่ให้ได้ด้วยมีผัดสะผัดสะท่านถือว่าเป็นนามผัดสะท่านถือว่าเป็นนามแล้วก็อ่านเจตนามโนสัญเจตนามีสามการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาและคุณก็เรียนรู้ด้วยตัญหาเนี่ยล้างตัญหาวิภาวะตัญหาคําทำให้รู้จักพบ มันเกิดพบเกิดกามาพบคุณก็ฆ่าเหตุที่มันเกิดกามาพบหมดเหตุกามาพบคุณเป็นพระอนาคามีคุณก็อยู่กับกามาพบอยู่กับบายาพบนี่ตาหูจมูกลิ้นก า, ก, าก็ยังกระทบอยู่ประสาททะลุก็มีอุปาทะยรูปมีอยู่ครบแต่จิตวิญญาณ น, นั้นจเจริญไปเรื่อยๆตามระดับตามอานาปานสติสิบเจริญไปตามลําดับตามอนาคานาสติ1ิก น, น, น, นี่แหละ เอาเจาะที่อนาปานาสติ16ก่อ น, นาอานาปานาสติ16หกนึ่งกายสังฆารังปฏิสังเวทีสัพปะกายอันแรกอันแรกหนึ่งนั่นคือลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกน่ะ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่อัตมา ต, ตัดไว้หนึ่งยังไม่เอาลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเขา้าเข้าสั้นออกสั้นหนึ่งลมหายใจนะเข้ากับออกมีลิงคาก้าว่าลมหายใจนอย่างนี้เข้านะนี้ออกนะแล้วคุณรู้ด้ยวยสัมผัสนะคุณไม่ได้ลืมตา ม, มารู้แต่ลมมันผ่านเข้าผ่านออกเ่้ามาคุณต้องรู้ว่ามีลมนี่มันมี พฤติกรรมของมันเข้าเออตอนเข้านี่ดีใจเออตอนออกไม่ดีใจคุณก็อานการใจของคุณเออเข้านี่อร่อยออกไม่อร่อยแฮอะไรก็แล้วแต่เกิดการดำเนินโคจรหรือวิศยรูปมันกำลังดำเนินบทบาทคตะกายขตะกายคตามันกำลังเกิดกายกายคตะ องค์ประชุมของลมหายใจกับจิตวิ ญ, ญญาณเรากําลังทํางานร่วมกันเป็นกายสังขารเกิดกายวิญ ญ, ญาณคนก็มาอ่านองค์ประชุมตอนแรกก็รู้ทางรูปก็คือรู้ว่าลมออกลมเข้าและอาการของลมออกลมเข้าเนี่ยมันมีกิเลสร่วมไหมบางทีก็บอกโอ้หายใจออกไม่ค่อยดีก็ไม่ใช่โอ้หายใจออกดีมันไม่เหม็นโอ้หายใจเข้า เหม็นว่ะคุณก็ไม่ชอบใจอ่าอยากไปนั่งอาณาปานสตินั่งหลับตาอยู่ที่ทปฐมประสงค์อ่านั่งหลับตาเข้าไปหาจะออกเออไม่ได้กินดีเนาะพอหายใจเข้าโอ้ขี้หมูว่ะไม่ชอบใจคุก็อ่านตัวสำคัญคือน้ำสำคัญคือน้ำชอบใจไม่ชอบใจ อะไรอิอออออออทารมอั น, นิีธารมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งคือเข้าหรือออกนั่นเป็นกิริยาเป็นพฤติกรรมของกายคตากายขตาสติมีสติรู้กายอยู่นะท่านก็เรียกว่าต่อมาท่านเรียกว่ากองลมอันแรกเนี่บอกดึงลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกสองรู้ชัดต่อไปรู้ชัดนี่คือปฏิสังเวที รู้ให้หมดเลยลมเข้าลมออกสองรู้ชัดหายใจเข้าสั้นทีนี้รู้สั้นรู้ยาวแถมมาอีกเข้าก็อย่างหนึง่งออกอย่างหนึง่งตอนนี้เข้าแล้วแถมมาสั้นกับยาวเข้าสั้นยาวสั้นออกสั้นยาวสั้นแถมมาอีกนี่เป็นสอง น, นี่เป็นสองสามคุณก็จัดการรู้ให้ได้กายอันนี้ในพระบาลีท่านบอกว่ากาย สับกายโยแต่ท่านมาแปลในปฏิ ป, ปิฎกบางเล่มท่านก็แปลว่ากองลมท่านก็ไปตีคุม อ, อกลมมาเลยท่านไี่กายโยมันไม่ใช่วายโยวายโยนน้นลมกายโยมันองค์ประชุมที่ยิงกายทั้งพวงให้ทําความรู้กายทั้งพวงคืนลมเข้าลมออกกับน้ำเกิดอาการเข้ากันออกที่กําลังมีสัมผัสอยู่นี่ยอย่าทิ้งลมนี่เป็นลมนี่เป็น รูปของเธอชนิดหนึ่งไอ้อื่นมันไม่มีแล้วดินน้ำไฟลมมันก็เหลือแต่ลมใช่ไหมอ่าก็ทำความรู้ปฏิสั่งเวทีทามให้รู้แจ้งให้เข้าใจดีอ่านไปเรื่อยๆ่อจนแม่กระทั่งดังจิตเพราะถ้าเข้าใจจิตร่วมด้วยที่อาตมาอธิบายคุณก็จะอ่านแล้วก็จะรู้ว่าเออนี่จิตชอบจิตไม่ชอบอิทธารมอันนธารมเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ค่อยทุกข์มก็สุขละ ถ้าชอบมันก็จะสุกใช่ไหมนะก็ทำให้มันระ ง, งับระ ง, งับอะไรกายสังขารังนี่ระ ง, งับอะไรไม่ใช่ไประ ง, งับที่เฮ้ยขาอย่ากระดิกมืออย่ากระดิกนะตัวอย่ากระดิกหัวก็อย่ากระดิกนี่คือกายสังขารระ ง, งับเห็นไหมกำหนดผิดกายเพราะฉะนั้นถ้าไปกำหนดกายว่าเป็นร่างเป็นวัตถุ คุณไม่เข้าหาปรมาที่แล้วคุณไม่เข้าหาปรมัตี่แล้วไม่ไปหาเข้าหาจิตเจตสิกแล้วสิ่งที่ถูกรู้คำวมารูปจิตเจตสิกรูปมันหมายเข้าไปหานามมาทําเรื่อยๆเพรา ะ, ะนั้นก็อธิบายอธตรมอธิบายแล้วตั้งแต่เข้าออกก็เข้าไม่เคยสุขแค่กลิ่นขี้หมูมาออกเออดีแค่คุณก็อ่านตรงนั้นชอบชังพิจารณาตรงเวทนาต่อจากกาย กายในกายก็มีเวทนาต่อชอบหรือชังสุขหรือทุกข์ไอชอบชังแนี่มันเป็นจิตเป็นจิตและเป็นราขมูลเป็นโทสะมูลเป็นเหตุของการชอบเป็นเหตุของการชังใช่ไหมสุขเป็นองค์ประชุมของมันสมใจมันก็สุขมันไม่สมใจมันก็ทุกข์เป็นเวทนาแต่ต้นตออยู่ที่จิต จิตมันอุปทานไว้ว่าถ้าอย่างนี้ชอบถ้าอย่างนี้ไม่ชอบบางคนก็บอกว่าเออดีฮะขี้หมูมาดมดีโอ้ตอนนี้ไม่ได้ขี้หมูไม่ชอบแฮะ mm. อ้าวกคนเดี๋ยวนี้มันขนาดอ่า mm. ไม่ใช่ศาดนิธธรรมดามาโซคิส mm. คือหมายความว่าอะไรอะไรที่มันทรมานตนเองเนี่ยไอ้คนทั้งโลกเขาไม่เคยชอบเออย่างเงี้ยเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นต้น ทุกทรมานกับตัวเองเป็นต้นเขาไม่ชอบหรอกแต่มาซอดิสเห็นคนอื่นเขาเจ็บเน้ อ, เ จ, เ, นอเจ็บตัวมืนมันมันเนี่ยชอบดูคนชกกันชอบดูนะเขาขาดเขาแกงกันทีนี้นก็ไปมุ้งดูเออเนี่ยพวกซาดิสนะพวกไม่ซาดิสก็บอกเออไม่ดูไม่เอานะแต่พวกซาดิสซาดิสหนักหนักเขาบอกไม่ไม่ถึงใจรอกไปเจ็บที่ครับมันต้อเจ็บที่เรานี่มาโซคิส มันเป็นได้ถึงปานนั่นเอานี่ขยายความผสมประเสริอะไรเลเอะเทอะไปอีกเยอะนะตกลงเมื่อปัดซ้ำพยังกายะสังขารังก็ไม่ใช่เป็นดับที่กายนั่งโอโหปวดเมื่อยมันทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ตัวนั้นทุกขติคุณจิตยดึดถ้ากายมันทุกข์แบบนั้นร่างกายมันทุกข์คุณก็เปลี่ยนไอเดีบทนิดหน่อยขยับขยับก็ได้ ที่จริงไม่ต้องไปหลับตาเลยสัมผัสแล้วก็รู้ทุกอย่างทีอิริบทต่างๆตามกายขตาสติไม่ได้แยกกันกับอานาปานาสติเลยนะเพราะสติปัฏฐานสี่นี่ไม่ได้แยกสติปัฏฐานสีไม่ได้แยกสัมมปปทานสี่ยิ่งชัดสํารวมอินทรียหกตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่ครบก็เป็นโลกุตระนะ ไม่ใช่นั่งหลับตาอาณาบรรณสตินะสติประธานสีเนี่ยโอ๊ยไม่ใช่สำหับประธานสี่เนี่ยเห็นไเออเพราะฉะนั้นอาตมาหยิบหลักฐานพวกนี้มายืนยันว่พาพวกเราที่ปฏิบัติธรรมนี่เอาให้มันครบเอาไปละเอียดไม่ฉะนั้นก็ไปยึดผิดเพี้ยนจนกระทั่งกลายไปเป็นฤษีอย่างเกา่าเพี้ยนออกไปไปนอกออกนอกทางหมดแล้ว เพี้ยนออกจากของผู้เจ้าไปเอาของใหม่มาใส่แต่ที่จริงเอาของเก่าที่เขานิยมกันแบบฤษีแบบง่ายๆตื่นๆมาใส่เข้าไปในกรองอนุกะหมดกรองอนุกะยุคนี้ก็เลยมีแต่ชื่อว่าพุทธแต่เนื้อไม่ใช่พุทธแล้วนี่ก็ยืนยันมาหมดแล้วนะจาปรปฏิสัมพยันก็พอได้ทําได้คุณก็จะเกิดอารมณ์ซ้อนในฌานที่หนึ่งฌานหนึ่งมันมี วิตกวิจารณ์ได้ซึ่งอัตมาก็อธิบายแล้ววิตกวิจัยวิจารณ์ในสังกปรเจอะไรนี่ก็แทรกอธิบายไปจนหมดแล้วแล้วมันจะมีอะไร อ, อะไรไปขนาดไหมนะสรุปแล้วพอทําได้คุณก็จะดีใจเนกขมะได้เวทนาในเวทนาเป็นเนกขมะสิบแปดเนกขมะสิตาเวทนาพอทําได้ฌานที่หนึ่งคุณก็จะมีปิตินะวิตกวิจารณ์ก็คือจัดการรู้กิเลสรู้ตัวกิเลสแล้วก็จัดการกับพฤติกรรม จัดการกับวิจาระมโนปวิจารเนี่ยจัดกับกิเลมันออกกิเลมันออกมันมีผลจางคลายมีผลดับนิโรธตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับคุณก็ดีใจปิตินปิติก็ให้รู้ปิติปิติประสิสร้างเวทีเสร็จแล้วก็ให้ลดตามหลักเกณฑ์ปิติก็ให้ทำเบาบางลงสุขบางกระหรือเบาบางลงก็เป็นสุข สงบระงับลงไปเรื่อยๆสุขกันสงบประงับลงไปเรื่อยๆด้ียว่าสุขสุขขปฏิสั่งเวทีก็รู้ตัวนี้อีกลดตัวสุขนี่หรือทําให้สุขมนันนิ่มให้เบาเป็นกายะละหุตาในวิการะรูปนะวิการะรูปกายะละหุตาวิการะไม่ใช่แบบคนพิคนพิการไม่ใช่มันเป็นน้ำมาทำทั้งนั้นแหละเนี่ยวิการะรูปนี่ก็ น, น้ำมาทำอุปาทายะรูปนะ กึ่งกึของนมามธรรมก็อยู่ระหว่างภาษาทรูปกับโคจรรูปกึ่งกึงของนมามธรรมมันยังมีรูปประกอบอยู่ตากระทบข้างนอกนะแต่ดําเนินมาจนเกิดวิญญาณเพราะฉะนั้นมันจึงเหลือเก้าไงมันกึ่งๆึงของรูปธรรมานมามธรรมอยู่ตรงภาษาทรูปกับโคจรรูปและไล่ลงมานะ้นํทาทั้งนั้นมาเป็นภาวะรูปนะจะเป็นอิทธิภาวะปุริสภาวะ มันก็น้ำมาเป็นมาหะไทยหทยรูปก็ยิงใจเลยใจมันอยู่ตรงไหนตรงที่เรารู้อาการจับตัวมันได้นั่นแหละตรงนั้นแะใจะชีวิตตินสีหรือชีวิตรูปรู้ว่ามันยังมีชีวิตมันยังไม่ตาย น, นั่นนี่ชีวิตของอะไรชีวิตของกิเลสมันยังเป็นสัตว์มันเป็นกามมสัตว์เป็นต้นมันเป็นอบายสัตว์เป็นต้นก็ดับไปมันดับฆ่าอบายสัตว์ให้ตาย แล้วก็จะรู้ว่าโอ้ความเป็นอาบายศัตริย์ก็ไม่เหลือแล้ว อ, อะไรอย่างนี้เป็นต้นเหลือบดูเวลาก็มันก็ไปก็มันได้เรื่อยมัน19นาฬิกา30นาทีแล้วนะคงจะต้องตอบประเด็นนะมะั้งเนาะนาทีวันนี้ไม่มีคอสชอแต่เริ่มไปเลยไป5นาทีอาตมาเห็นอยู่ดูไว้จำอยู่มาตีกินเวลาอาตมาไม่ได้อาตมาไม่ยอมขาดทุนเวลาเท่าไรหรอก เพราะอาตมาเนี่ยมันไม่ไม่ได้อาตมาเวลาของอาตมายิ่งก็เพชรนะเอาอธิบายมาถึงสุขยังไม่ได้เข้าจิตสังขารอาณาปานั่สิยังไม่เข้าจิตสังขารแต่อธิบายให้จบ16เลยก็ก่อนก็ได้รวบรวมระดับหน่อยนะรวบรระดัหน่อยไว้ค่อยขยายเวลาอื่นจะ่ปขยายต่อให้ละเอียดตรงนี้อีกที พอเรารู้จากปิติมีสุขทําให้เบาลงนะในวิมโณปวิจารสิบเนคขมะสิตะเนะนคขมะสิตมามโนปวิจารสิบเนี่ยนะเหมือนการละเอเคหะสิตาก็18แต่มันเป็นโลกีเราก็อา่านจิตของเรารู้ว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มันลดกิเลสได้ลดกิเลสได้เอากิเลสออกเอากรามออกเป็นต้นอพยพบาตรออกเป็นต้นเรียกว่าเนคขมะ เอากิเลสออกบางจางวิลาคะลงได้นิโรธลงได้ตามละดับพอได้ตอนแรกเป็นฌานตนต น, ตนมันมีพิติะก็เรียกว่าโสมนัสเนคัมมะสิตะโสมนัสเวทนามันไม่ใช่เทหสิตะโสมนัสเวทนานะมันไม่ใช่ดีใจดีใจเพราะว่า กิเล่มันฟูกิเล่มันได้รับบําเดอมันก็อ้วนก็หนาเป็นปุถุใ น, นเคหะสิตะโสมนัสแต่เนคเมะสิตาโสมนัสเวทนาเนกิเล่มันลดไอเ น, น, น, น, นะนี้มันอ้วนปุถุมแปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าบางไอเนี้มันกิเล่มันบางลงจางลงเบาลงผอมลงแต่ดีใจที่กิเลสลดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าโสมนัสส่วนโท ม, มนัสนี่ยคืออะไรโทร ม, มนัสคือมันยังยากอยู่ มันยังไม่โปมันยังเหมือนกับขี่จักรยานใหม่ๆโอ้โหลำบากจังเว้ยมันยังลำบางอยู่มันยังคุ้มแข้งอยู่มันยังวิตกวิจารณ์ยังไม่ยังต้องวิตงวิจารณ์อยู่ยังต้องกังวลอยู่วิตกวิจารณ์นี่วิงกังวลมาแปลความหมายภาษาไทยว่ากังวลมันยังไม่มันยังไม่ตีลังกาหกขมีนวางมือได้เลยจักรยานโอ้โหมันยังโอ้เบี้ยวแล้วเบี้ยวอีกนี่ไม่ดีความมันยังใหม่อยู่แต่ทําได้ เริ่มต้นทําได้ไม่มีนิวรณ์ได้ไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสกาไม่มีกิเลสพยาบาทได้แต่ยังไม่เก่งเพระาะฉะนั้นก็วิโตวิจารณ์ลดลงก็คือเก่งขึ้นเก่งขึ้นกินเก่งขึ้ น, ก, นก็รู้ต่อปิติและสุขตามลําดับปิติก็ดีใจผูฟูใจมากหน่อยลดลงไปสงบขึ้นไปอีกก็เป็นสุขสงบมุปสมโมสุขอุปสมมสุขระงับขึ้นไปอีกจากสุข ไม่มีแล้วมีเบาบางเป็นกายยะะหูตาเลยแผ่สรางไปพรณาปิตินั่นแหละก็ถึงที่จุดสำคัญมีนะมีความดด่นเดิงตรงนี้แหละคือจิตปฏิสังเวทีรู้จิตให้ได้ว่าจิตคุณทามาถึงตรงนี้แหละจิตมันไม่ใช่เป็นแห้งเหี่ยวมันเป็นอภิปโมทยังจิตตั้งมันเป็นจิตยังบึกบานหน้าเดิง อ, อยู่มันมียินดีน้อยๆอยู่พรณาปิติ เหมือนที่ท่านอธิบายอยู่ในปฏิบัตเล่มเก้าหรือเล่มอะไรที่อธิบายเนื้อหาว่ า, เ, าเมื่อชาตหนึ่งมันจะมีปิติมีสุขจนกระทั่งถึงสุขเนี่ยท่านก็อธิบายว่ามันมีปิติก็ตามทําให้มันเบาแผ่ซ่านไปเหมือนกระจุนสีน้ำํำช่างสงสนารเอาน้ำมาเอาจุนสีลงไปนลายน้ําแล้วก็คงไปแช่ให้จุนสีมันเข้าไปซึมซาบได้ไม่มีเอกเทศไหนๆที่จุนสีมันเข้ า, าไปอยู่ไม่ได้มันจะ ไปทั้งร่างทั้งกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความเบิกบานราเริงอภิบรมหมจะยังจิตตังนี่คือความละเอียดลึกซึ้งของวิธีทมแล้วก็ทาให้เกิดสมาตาหัง่งจิตตังให้เกิดแข็งแรงสดใสเบิกบานอย่างหนุม่มฟอเมนมีแอคทีฟ ม, คมีความเป็นสมาตาหั่งไปว่าหนุม่มสดใสหนุ่มอยู่เสมอแข็งแรงสมาตหั่งก็ ดากทางกับสมาธินี่แหละให้ตั้งมั่นให้แข็งแรงขึ้นนี่เป็นเป็นลักษณะของจิตสังขารและสุดท้ายก็ถึงขั้นเปลื้องจิตออกวิโมทจะยังจิตตัง้งจิตมันเปลื้องออกหรือยังจิเลมันออกหรือยังมันมีปุญจิตตรกรรมยตยานหรือยังยานเห็นหรือยังว่าโอ้มันเกิดตามวิบัติวิปัสนาญาณเก้าอันนี้วิปัสนาญาณข้อที่หมันก็วิโมทจะยั ง, ยงแล้ว ส่วนทําเพิ่มอีกเป็นเป็นข้อที่7 8็ดนั้นมันเป็นการสร้างจิตให้เป็นสมาตาหัง่งให้เกิดสังขารุปเปยข้ายานให้เกิดไม่ใช่ปฏิสังขารปป น, าานุปัสสนาญาณแล้วก็ให้เกิดสังขารุปเปข้ายานให้เกิดสัจจานุโลมิกายนอีกสข้อของวิ ป, ปัสสนาญาณเนั้นก็คือสร้างอเนญชาพิสังขารให้สูงขึ้นเป็นอภิสังขารข้อที่ส นะซึ่งปุญญาพิสังขารปอปุญญาพิสังขารและก็อเนญชาพิสังขารนี่นี้เป็นต้นมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นตามนี้พอเปรื้องจิตออกได้แล้วท่านก็สรุปอีก4ข้อ4ข้ อ, ขอคือคุณจะทำให้มันระงับให้มันจเจริญให้กิเลมันลดได้เนคขมะสิตาไปถึงขั้นอุบเบกขาได้นี่เพราะคุณจะต้องพิจารณาคุณจะต้องทาให้มันเห็น ด้วยพลังวิคัมปนาประหารก็ตามทําให้กิเลสลดได้ก็ตามกิเลสเห็นได้โดยปัญญามีพลังฌานพลังปัญญาไปเผาพาราคะโทรศัไฟราคะไฟโทรศัไฟโมหะลงมาเห็นได้สัจจากของความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์เห็นมันไม่เที่ยมันเป็นเห็นแห่งทุกข์และมันก็ไม่มีตัวตนมันไม่ได้เกิดตัวตัวตัวอะไรตัวตนมันลดลงลดลงลดลงมีราคามันดับมันดับมันไม่มีจนมันไม่มีถาวรทําซ้ําทํำซากเป็น ปฏินิสข า, านุปัตสีทำจนยรทังมันแข็งแรงหมดมันก็เห็นชัดเจนถึงความไม่มีตัวตนนี่แหละคืออนิจจานุปัตสีวิราคานุปัตสีนิโรธานุปัตสีปฏินิสคานุปัตสีเนี่ยอธิบายสรุปสรุปเร็วๆหน่อยรวบหน่อ ย, ห, อยหมดหมดเวลานี่คืออาณาปานาสติสิซึ่งคุณปฏิบัติยืนยันแล้วว่า มันเรื่องของกายมันเรื่องของการปฏิบัติมีถาวรทั้งนอกด้วยไลมาหมดและรูปอุปาทายรูปด้วยอะไรด้วยแม้แต่ยืนยันว่าจะต้องสัมผัสวิโมกษแปดด้วยกายมีทั้งนอกและในมีทั้งอัจตังมีทั้งประหิตทธานี่คือหลักฐานอ้างอิงยืนยันตามหลักวิชาการในฐานะที่อาตมาไม่เป็นนักนักวิชาการก็นกันแดะเป็นนักวิชาการเขามั่งอธิบายเหมือนนักวิชาการ มัวๆเพราะว่าไม่เก่งว่าไม่มีระบบระเบียบไม่ได้เรียนมาเป็นคนด้อยการศึกษาแต่พออธิบายได้เนี่พอไหวไหมใครที่เป็นนักเรียนตอนนี้อัตมาก็มีผู้ที่จะมาช่วยเรียบเรียงเป็นนักศึกษาเป็นผู้ที่ผ่ า, กา์การการศึกษามามาเรียบเรียงอยู่นะปริยาตีโทเอกก็มาคอยช่วยเรียบเรียงกันอยู่ตอนนี้ถึงคณะปริยาเอกนี่นก็ช่วยเรียบเรียงอยู่คนนี้ เอาไปจัดเป็นบวดเป็นหมู่เป็นอะไรเงียบเบียงให้เข่าถา่าเขียนแผนเขนพั ง, พงด้วยอะไรต่างๆนั่นามีแพทเทิร์นต่างๆอะไรตร่า ง, ง, ง, งๆก็ดีช่วยอตามอตามาอาตมาไม่ไม่เป็นจริงๆแต่มันมีมีเนื้อมียานมีปัญญามีของจริงมีเนื้อเท่านั้นเองแต่เนื้อมันโยอะเืนเหมือนอตาตมาเสร็จซีบนอกโอ้โหข้าก็มาไม่รู้อะไรมัง่งมากกของพลตารวจโทพั มากกว่าเยอะเอาตกทันสมัยหน่อยสิไม่เช่นนั้นพูดอะไรไม่ทันสมัยมันจะสะดุ้งสะเทือนอะไรล่ะนี่คือศิลปินศิลปินศิลปินรู้จักเทรนของสังคมต้องเอาเทรนของสคมนี้มาผสมเหาะลงไปปับ๊บอันนี้เป็นไฮไลท์ผสมส่ว น, นมันก็จะเป็นสุนทรียสิ่งชนิดหนึ่งทาอย่างนั้นมันก็แห้งเหี่ยว เดี๋ยวๆคนไม่รับรู้ด้วยนะอันนี้คนก็จะรับรู้ได้มากนะเอาละอาตมาใช้เวลาไปตั้งเยอะแล้วนะเลยเวลาเข้าไปมากแล้วนะนะก็อธิบายแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ตอบประเด็นเอาผู้จะส่งประเด็นเข้ามาเชิญมีเวลาเหลืออีกไม่ถึงประมาณ20สบนาทีเท่านั้นมันจะพอหรือนี่ไม่บอกแล้วทั้งนั้นบ เ, เบอร์โทรศัพท์ตีกินซะเลยนะ บอกไม่ทันแล้วบอกไม่ไหวแล้วมันไม่มีเวลาหนึ่งแต่คืนบอกก็เสียเวลาไปอีกเยอะก็ขอผ่านไปก่อนนะต่อประเด็นเลยนะพูดใดเอาดูที่ตัวโทรศัพท์ไอ้ตัวโทรทัศน์นั่นจอที่จอมันมีเบอร์อยู่ดูเอานั้นก็ทำนั่นจะส่งมากันทยอยมาอันนี้มีไม่มากเท่าไหร่หรอกเอาอันที่หนึ่งจากนักศึกษาหลวงพ่อคะนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดอย่างยั่งยืนของระบบบุญยมโอ้โหนี่ลวงตับเล้นะเนี่ยนี่ลวงตับแล้วนะน่นนะ น, นวัตกรรมการศึกษาเฮ้ยไม่ใช่การสื่อสารนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดอย่างยั่งยืนของระบบบุญยมคืออะไรคะเพราะหนูว่ามันแปลกไปจากสื่ออื่นๆน่ะมันแปลกไปจากสื่ออื่นๆ ที่มุ่งไปสู่รายได้เม็ดเงินปรุงแต่งให้คนติดงอมแงมโอ้นี่ยืนดา่าไปอาตมาไปฟาดฟันคนอื่นเขหน้าเนี่ยเนาะคำถามนี้นี่โจทย์นี่ยื่นด่าไม่อาตมาไปฟาดฟันคนอื่นเขาขอขอภัยนะเนี่ยไม่ได้ฟาดฟันใครหนะ้านี่ยเอาตามโจทย์ที่เขาถามมานวัตกรรมหมายความว่าของใหม่น่มีบทบาทใหม่เรื่องราวใหม่น่ มี create, Creative ใหม่ครีเอชันนี่มี Creation นวัตกรรม Creation ใหม่อ n n o v a t i o n ใหม่นะนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเนี่ยสื่อสารนี่แล้วก็เอาโทรทัศน์เราเนี่ยบุญนิยมทีวีนี่แหละหรือจะเรียกจริงๆก็เรียกสื่อสัมพนี่แหละเอฟเอ็มทีีในชื่อตระกูล บุญนิยมทวีก็เรียกว่าลูกมันสื่อสารนี่แหละการตลาดหรือการสื่อสารด้วยแล้วก็จะต้องมีการตลาดาถามวิธีการการตลาดซะด้วยอย่างยั่งยืนของระบบบุ ญ, ญนิยมลวงตับมาเลยลวงตับลงไตของบุญนิยมมาเลยถามว่าการสื่อสารการตลาดอย่างยั่งยืนของระบบบุญนิยมคืออะไรคะ เราตั้งข้อสังเกตมาว่ารู้ว่ามันแปลกไปจากสื่ออื่นๆที่มุ่งไปสู่รายได้เม็ดเงินปรุงแต่งให้คนติดงอมแงมนี่ตอบเองมาแล้วนะเนี่ยตอบเองมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่ า, าการสื่อสารหรือการตลาดนี้เราสื่อสารเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ไม่ใช่ไปมองเมาประชาชน ไม่ใช่ใช้สื่อสารนี้เอาไปหารายได้มาให้แก่ตนเองหาลาภหายศหาสันเสริญไม่หรือหากามหาอัตตานี่คือกิเลสโลกธรรมทั้งนั้นนะไม่ได้มีไม่มีนโยบายไม่มีเจตนาแล้วก็เจตนาด้วยว่าจะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมองๆเียว่าอมิต ไม่มีอามิตรเท่านี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารจริงทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงในการตลาดของเราการตลาดของเราคือการรายงานความจริงเพราะจะเห็นได้เลยเนี่ยโอ้โหประเดี๋ยวก็ยังงน่นย่างนี้ติดๆนนนี่ๆอะไรอะไรที่อื่นก็ไม่ทำหรอกที่นี่ทําทุกอย่างเป็นธรรมดาสา butcher, มัญเหมือนกับคนชาวบ้านชาวบ้านอะไรเนี่ยจริง ที่นี่อย่งงางนั้นจริงๆนะผิดบ้างพลาดบ้างยังงน้นยางงี้ก็บปบ่อยปล่อยไก่ออกที่เราเล่าสองเล่าทุกวันนะเขาก็ถือพวกอื่นๆน่ะของสื่อสัต์อื่นๆเขาน่จัดการตลาดกันแข่งขันกันนะโอ้โหต้องนิ่งต้องเนี๊บตอ้องใหญ่โตหรูหราฟู่ฟ้าต้องสง่างามต้องอะไรนี่ก็โอ้โหเชยเชย เพราะงัดสรุปแล้วการตลาดของเราก็คือทุกบรรยากาศรายงานความจริงสื่อสัตว์บริสุทธิ์รายการตลาดของเราบุญนิยมของเรามีงนี้ของดีราคาถูกสื่อสัตว์มีน้ำใจขายสดงดเชื่อเบื่อทวงปวดท้องนี่คือนโยบายการตลาดของเราทวนอีกที นโยบายการตลาดของเราหนึ่งของดีสองราคาถูก 3, สซื่อสัตว์สมีน้าใจ5้าขายสดงดเชื่ อ, อแถม <c oughs> <c oughs> เบื่อทวงปวดท้อง <c oughs> ที่จริงก็คือขายสดงนดเชื่ อ, อเครดิตเนื้อเครดิต อ, อันนี้เราถือว่าเป็นเครดิตเนื้อเครดิต อ้าวอันนี้ตอบไปแล้วนี่คือระบบบนนิยมเป็นอย่างนั้นเราจะบอกว่าแปลไปจากสื่ออื่นๆที่มุ่งสู่รายได้เม็ดเงินปรุงแต่งให้คนติดงอมแงมงงใช่ของเราอยู่ในหลักเกณฑ์พระเจ้าไม่พยายามที่จะบอกก่อนนะบอกนําหน้าก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการคนดูไม่ต้องการใครมานิยมคนนิยมก็ดีแต่ว่าเราเองเราไม่ไม่เจตนาไม่มุ่งเอาอย่างพระเจ้าว่าไม่หาเสียง ไม่สร้างความนิยมไม่ให้ใครมานับถือนะไม่หาบริวารเพราะฉะนั้นคัดเลือกใครเห็นว่าเป็นสาระใครเห็นว่าควรดูคนอะไรเรือกเอาอ่าอย่างนั้นจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ได้ตามใจคนดูมันเอากิเลสมาล่อสุนทรียศินน้อยเป็นสารสินจะเกือบเป็นเนื้อหาเรื่องราวของสังคมของมุัฒนธรรมของเศรษฐกิจสดสดของรัฐกิจสดสดของ สังคมมเศษกสังคมศาสตร์รัฐศาสาตร์เศรษฐศาสาตร์สดๆเลยนะไม่ปรุงแต่งอะไรมากก็ดูให้มันดูดีหน่อยเท่านั้นเองให้มันดูแหม่น่าเกียดน่าชังเกินไปเท่านั้นแหละที่นี่เป็นอย่างนั้นนะตัวแต่ฉากสิเนี่ยมีจานจา น, นี่จานหนึ่งตั้งกระบุนแล้วเนี่ยฉากใช่ไหมไอ้นั่งไอ้นั่งข้างหลังข้างหลังฉากน่นก็ใช้เทคนิค ก็บอไปธรรมดาทุกบรรยากาศรายงานความจรงิง <c oughs> ซึ่งเขา <c oughs> เทคนิคเขาเดี๋ยวนี้ก็ทําทได้ <c oughs> ทั้งโฟลกลาวมิดเดอร์กลาวแบล็กกลาวแบ็กกลาวอย่หมดเลยเขาทาได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเลยบางทีจะได้เห็นมาเนี่ยมันตัดต่อตั้งหลายตอนคนเดินมาบางทีหัวขาดตรงนี้ <c oughs> เห็นเลยรายงานความจริงไปทุกอย่างเทคโนโลโยีใช้เทคนิคก็ใช้ไป ไม่ได้ระมัดระวังอะไระจริงๆเลยก็สบายๆก็ทำตามที่เราสามารถทำได้ซื่อแต่ก็พยายามอยู่นะทามันดีได้ก็ทำอยู่อยากจะเนียบๆ เ, เหมือนเขาเหมือนกันน่ะแต่มั น, นไม่ค่อยไหวคนมันน้อยเงินมันน้อยอุปกรณ์มันน้อยมันก็ได้เท่านี้ก็ดีแล้วดีกว่านี้เขายังเอาเลยอ <Yeah. S 1> นะ อาวตกลงเราก็ไม่ได้ไปหาไรายได้ไม่ได้ไปมุ่งถึงเม็ดเงินอะไรนะพยายามเพราะไม่ได้เงินมีแต่หามาใส่เข้าไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไร้ตังก็พยายามทําเองไม่เรียรายไม่อะไรพยายามช่วยตนเองพึ่งตนเองให้รอดตามหลักเกณฑ์ของเราไม่เป็นหนี้นพึ่งตนเองให้รอดเราทำงานให้มีส่วนน้อส่วนเกินแล้วก็มีส่วนอะไรก็ให้ผู้อื่นไปเรื่อยแม้แต่สื่อสารออกไปนี่ก็ให้ผู้อื่นโดยตรงนะไม่พยายามที่จะ ปรุงแต่งให้คนติดงอมแงมไออย่างนี้คือเรื่องที่มันลึกซึ้งคนเอาขีเลเดนมาปรุงแต่งข้อมางเข้ามาเพื่อให้คนติดหล่อหลอ ก, ลอกทุกอย่างเลยเนี่ยเอาอามิตรมาลอ่อหลอกนั่นคือทําให้คนติดงอมแงมแต่ของเรานี่ให้ล้างสิ่งเหล่านี้มันจึงคานแย่งกันเราก็เลยไม่เป็นอย่างเขาเพราะฉะนั้นแฟน า, นานุแฟนของบุญนิยมทีวีนี่ต้องพูดที่มีปัญญาญาณที่อยู่ในชั้นนิว น, นะ ถ้าไม่มีวันธรรมไม่ดูหรอกคนละชั้น <c oughs> ขอเอาไยนะพูดไปเหมือนยกตัวยกตนต่อมาหลวงพ่อมีหลักคิดหลักปรัชญาอย่างไรที่ต่างจากทิศ ท, ทางสื่ออื่นๆทั้งในมหาวิทยาลัยที่มีที่สอนเพื่อให้ยั่งยืนก็มันไม่มีรายได้แล้วจะเอาอะไรมายืนโอ้ลวงลึกเข้าไปอีกเนี่ยวงตับเข้าไปลึกอีกเลยเนี่ย มันไม่ไไมีรายได้นะมันจะเอาอะไรมายืนให้มันยั่งยืนเนี่ยมันจะยืนได้ยังไงมันจะยั่งได้ยังไงยืนได้ยังไงนะ เ, เพื่อให้ยั่งยืนก็มันไม่มีไรายได้แล้วจะเอาอะไรไมายืนมีหลักคิดยังไงมีปรัชญายังไงที่ต่างจากทิศ ท, ทางของสื่ออื่นๆเขาทั้งมหาลัยด้วยทั้งที่มีที่สอนด้วยที่นี้เราจริงเรามีมหาลัยนะมหาลัยของเราก็คือมหาวิชาลัยวิชารามของเรามหาวิชารามนะก็มีหลักคิด ตามพระพุทธเจ้าสอนมีหลักปรัชญาอย่างพระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละทีอ่อธิบายอยู่นี่คือหลักการของพระพุทธเจา้าทั้งนั้นอาณาปานาสติคือสอนให้รู้กายให้รู้เรื่องต่างๆข้างนอกสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสังคมข้างนอกมีทุกอิริยาบถสําเร็จอิริยาบถอยู่มีการสัมผัสสัมผัส ร, รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆมีดินน้ำไฟลมมีบุคคลตัวตนเราเขามีลาบยศทันเถรโลกีสู่เราไม่หนีจากสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้นี้เลยไม่นี้ก็ปากเขาเขาก็ทําอะไรไม่มีอยู่นี่แหละแล้วก็เรียนรู้จิตเจตสิกรูปให้เป็นนิพพานนิพพานสรุปให้เป็นโลกุตระนี่คือหลักคิดหลักปรัชญาของเราผู้เขากพูดบรวมสุสรุปงี้นะเนี่ยเป็นทิศทางของสื่อของเราอย่างแท้จริงแม้แต่มหาลัยวิชารามที่เรามีเหมือนกันเราเขามีตอนนี้เรามีบอบแล้ว เราก็ยังพยายามจะให้เป็นนิตินัยนก็พยายามทําอยูนะ่ไม่มีไรายได้แม้จะตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมานี่ก็ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีไรายได้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรายได้เนี่ยเราตั้งโรงเรียนมาตั้ง20กว่านปะีละโรงเรียนสร้างอนุชนให้แก่ชาติให้แก่ประเทศมาเนี่ยยี่สิกว่าปีละก็ไม่ได้เคยหาเงินหาทองมีแต่เลี้ยงดูลูกหลานไปแล้วก็ผลิตให้ไปนี่ก็จบออกไป วรยัิตรีโทเอกก็มีกันไปแล้วในสังคมก็ไปทำงานช่วยโลกช่วยสังคมไปก็สร้างเป็นการเมืองชนิดหนึ่งนะเป็นการเมืองภาคประชาชนที่เราสร้างประชาชนให้การศึกษาฟรีก่อนรัฐบาลขออภัยพูดใหญ่ให้การศึกษาฟรีก่อนรัฐบาลได้คันมัธยมนี่ก็จะทำอุอดมศึกษานะตามหลักแนวสิ้นเด่นเป็นงานชาญวิชานี่แหละ คุณดมศึกษาก็าวิไลสูงสูงก็สีนแคร่งเก่งงานชํานาญวิชาสูงสุดก็สีเต็มเข้มงานสืบสารวิชาเลยตามหลักเกณฑ์อันนี้ปรัชญาสมอย่างนี้มีทั้งคุณธรรมมีทั้งการเป็นด้วยทํางานเป็นมีอะไรอะไรเป็นด้วยไม่ใช่ว่าสอนไปแต่พื้แต่หลักวิชาเฉยเฉยหลักวิชาก็สอนตามสูตรหลักสูตรที่เห็นควรนะนี่คือ หลักคิดหรือปรัชญาที่ทำต่อมาถามมาเจ้าต่อมาว่าสัตววาด้าวสัตววาด้าคือมิจฉาทิฐิทั้งหมดใช่ไหมคะสัตววาด้าคือมิจฉาทิฐิทั้งหมดใช่คือยังเหลือความเป็นสัตว์อยู่ถ้าจะเลี้ยงให้จริงก็คือมันยังไม่พ้นอวิชาทั้งหมดบางทีอาจจะสมาธิิแล้ว สมาธิฐีแล้วแต่ยังปฏิบัติอยู่ยังไม่พ้นอวิชชาสวายังอวิชชายอยู่บางทีสมาธิถิแล้วแต่ปฏิบัติอยู่มันยังไม่หมดยังล้างอาสวะยังไม่สิน้นยังไม่พ้นในวสัญญานาสัญญาญตนาสัตจนเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธตามมิโมก8ก็สมบูรณ์พ้นความเป็นสัตว์ทั้ง9้า ที่ในวัศยานาศายายตนเป็นสัตว์ตัวที่9ก้าอ้าวคอยอธิบายตามติดตามฟังสัตว์วาด9เก้าสองถ้าเป็นสัตว์วาด9เก้าหมายถึงไม่ได้แม้โสดาบันใช่ไหมคะใช่ถ้าเผือว่าผู้ใดปฏิบัติทาไม่รู้ความเป็นสัตว์ตั้งแต่แม้แต่กายต่างกันสัญญาต่างกันที่เป็นสัตว์ชนิดที่หนึ่งในข้อที่หนึ่ง อย่าว่าแต่ข้อที่หนึ่งที่เป็นสัตวะฏก้าวเลยข้อที่หนึ่งของวิญญาณทิฏฐิ7ต้องปฏิบัติในขณะมีวิญญาณตั้งอยู่มีอยู่เห็นอยู่มีวิญญาณในขณะที่มีกา ย, ยวิญญาณมีตาหูจมูกนี่กายมีภาษาทรูปมีโคจรรูปวิญญาณเกิดมีพรรษสามคุณก็ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกกายคุณก็ไม่รู้ในข้อของวิญญาณทิฏฐิเจ็ดก็คือกายกับสัญญาเนี่ยเป็นตัวหลักนะ เอาไว้ติดตามคอยฟังอธิบายต่อๆไปนะเพราะงั้นเข้าใจแต่แม่แต่คําว่ากายนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์สัตว์ตัวที่หนึ่งข้อที่หนึ่งในข้อหมกหวานนี่อธิบายตั้งเยอะอยู่แล้วว่าเห็นมนุษย์สัตว์มนุษย์หรือว่าสัตว์นรกสัตว์เทวดาเป็นยังไงคนที่มิจฉาทิฐิกับสมา ธ, ธินี่แหละเป็นหลักมันจะต่างกันตรงนี้นะเห็นกายคนที่เป็นมิจฉาทิฐิก็เห็นกายอย่างหนึง่ง คนที่สมาธิทิฏก็เห็นกายอย่างหนึ่งสัญญาก็คนละอย่างนีแม้สัญญาอย่างเดียวกันเป็นข้อที่สองก็จะเห็นกายต่างกันได้มิจฉาทิฏก็จะได้กายอย่างหนึ่งเช่นได้ปฐมวชารสมาธิทิฏก็ได้กายอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นได้ปฐมวชารเป็นต้นในข้อที่สองของปัญญาทิฏเจดก็ตามสัตวะกาวก็ตามอันเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น ส่วนก็สา4ก็สี่ก็เคยอยายไป5 6 7หกเจดยยิ่งเป็นอรูปฌานเลยสภาพอรูปฌานเลยนะเพราะฉะั้นในอิน ญ, ญาณทิติมันมีอยู่แค่เจนะไม่มีเนวัญญานาสัญญายตนะสัตว์ก็ค่อยอธิบายวันหลังวันนี้เขาผ่านไปก่อนนะต่อมาจากเด็กหญิงดูแล น, า, นามสกุลไม่ใช่นามนิคเนมเขานิเนมวดูแลเขาชื่อและเลื่อนฟ้านะ แล่เลื่อนฟ้าตรงให้เขาแปลสิว่าชื่อเองาแปลว่าอะไรโอ้โหจำได้ปล่าไม่รู้ตอนนี้นะจำได้เป่าแปลว่าอะไรอะไรกันจะลืมเร็วนักนะชื่อตัวเองจําไม่ได้ได้ไงนะมีวิสัยทัศนะนะแล่เลื่อนฟ้ามีวิสัยทัศน์ที่มองไปสู่ข้างข้างหน้าอันสูง แม่แลเลื่อนฟ้าแม่ก็ชื่อแล่าพ่อก็ชื่อเลื่อนแม่ก็ชื่อฟ้าแลไม่มีใครค่อยเรียกเขาหรอกเรียกตันตันหลวงปู่คะถ้าอยากจะกินไข่นั่นๆๆๆๆนั่ น, น, นจะทำยังไงคะนี่ เราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่ก็ทาค่ะช่วยบอกหนูหน่อยค่ะจะทํายังไงจะทํายังไงคะนะกินไข่ี้มันติดข่าวกินไข่บาปนะไข่ในเป็นลูกสัตว์ ในสัตว์นี่นะมันมีอาหารอยู่สองอย่างคนเอามากินที่จริงนึกกินเนื้อมนะันน่ะไม่ดีอยู่แล้วแต่เขาก็ยังมีอีกประเภทนึง่งเขบอกจะขอกินบ้างเถอะกินนมมันกินไข่มันไอ้นมก็ไข่เนี่ยไข่นี่มันเป็นลูกมันนะไปกินลูกมันนะโอ้บาปโอ้โหนี่ไปถามถามพ่อดูสิเสือ <c oughs> มันจะเอาดูแลไปกินไหวไหม <c oughs> กินลูกมันนะ เสอมันจะเอาลูกว่าขอพ่อเลือกพ่อให้ไหมไข่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยลูกของสัตว์นมยังเป็นอาหารสัตว์นะฮะนมยังเป็นอาหารอ่า <c oughs> เพราะงั้นกินไข่เนี่ยแย่กว่า ก, กินนมมันเป็นลูกสัตว์มีบามีเวนต่อเนื่องกันไปอีกเยอะนะแล้วมันก็เอ้าเอาละเรื่องข่าวเรื่องอะไรมันก็อาจจะเป็นได้นะ ที่นี่นมนี่ก็หลายผู้หลายคนเขาก็อธิบายกันแล้วจริงๆแล้วมันก็ควรเลิกนะถ้าไปเลิกได้ถ้าเลิกไม่ได้ก็เอาละอนุโลมเพราะในอินเดียนี่ ก, กินนมกันเยอะนะกินนมงวนมแพนมอะไรของเขากินนมอาศันมกันแต่เขาก็ไม่กินหรอกไข่เขาก็ไม่กินเนื้อก็ไม่กินเขาก็ยังกินนมเยอะอินเดียเพราะถ้าเผื่อว่าไม่กินได้ก็ดีนะนมแต่หาอะไรอื่นแทน มันก็เป็นอะไรๆ ไ, ไปมันก็มีโทษอะไรบ่ตามเรื่อ ง, องมันอเอาก็ต้องพยายามหัดพิจารณาว่าเรากินอื่นดีกว่าเราลึกๆอย่างนี้เดี๋ยวหลวงปู่จะบอกให้เราชอบมันรู้ไหมมันอร่อยอร่อยนั่นเป็นของเท็จของโกโหกถ้าเราอดได้ทนได้มันก็ไม่เห็นเป็นไรมันไม่ตายเราไม่ได้กินอร่อย ไม่ตายไปกินอร่อยก็ไม่ตายเสร็จแล้วเราพยายามเห็นว่าเออเราไปกินอย่างงี้มันเป็นโทษมันจะเป็นคุณเป็นโทษพิจารณาเห็นโทษเห็นคุณเนี่ยถ้าเราไม่กินเป็นคุณเพราะเราจะไม่ได้บาปเพราะเราจะไม่ได้เป็นเชื้อโรคแม้แต่นมนี่ก็ว่ามันชะลอ ม, มันมีอะไรเขาวิจัยกันอีกเยอะลายลึกๆอุตมัยเขาไม่ขอพูดนี่พูดข่าวมาเรื่องไข่เรื่ไข่นี่ก็นั่นแหละอันอื่นแทนได้นะถั่ว ง, งอกก็แทนได้ น้าโถงงอกก็แทนไขได้เอาจริงมีอะไรอีกเยอะแยะไปน้านาตมาไม่เก่งโภชนาการเท่าไหร่น้าอ้าวก็ตอบไปได้แค่นั้นแล้วพิจารณาหัดไปเดี๋ยวลัเขาก็หัดไปเดี๋ยวแม่พ่อเขาก็สอนนะาปาน้าอาอะไรก็ก็สอนไปหามุมดีๆใกล้ๆหาปฏิภาณอก็ค่อยๆบอกเขาแนะนำไปน้าก็ว่ากันไปเอาต่อมาของพลตรีมินก็ผมเป็นคนมีพัญญาน้อย เในวูเล็บมีคนเดียวครับอ๋อเล่นเล่นคารมเล่นคารมก็ผมมีปัญญาน้อยวงเล็บมีคนเดียวครับ<ม>คือมีอยู่คนเดียวน้อยคนอื่นเขามีปัญญามากนีน่เขามีปัญญาน้อยมีคนเดียวเธอได้ยึดบัตร ATM ีเอ็เธอได้ยึดบัตร ATM ซึ่งเป็นเงินบํานาญรายเดือนของกับผมไปเรียบร้อยแล้วครับ<ม>แต่เธอได้ทยอยจ่ายเงินให้ผมใช้เป็นรายวันทุกๆวัน กรณีนี้เป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไรครับ <c oughs> <c oughs> เออดีเหมือนกันโอ้เกง่งเก่งเก่งเออถามมาดี <c oughs> เป็นเป็น <c oughs> เป็นเป็นเออครอบครัวไหนจะทํามั่งก็ดีเนาะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่า อ, อแม่บ้านออทําแล้วแล้วแม่บ้านเอาเงินไปสรุยสุร่ายอะไรแล้วเอาไปอะไรจะอะไรมันไม่ดีก็ไม่ดีนะแต่ถ้าเผื่อว่าเอาละ เอาแล้วก็มาเป็นผู้ควบคุมการเงินให้อย่างนี้ก็ดีนะโอ้เข้าท่าอัาตมาว่าเข้าท่าเป็นเศรษฐกิจพอเพีย ง, อ ย, งอย่างหนึ่งเหมือนกันอา้าวต่อมาเพื่อนชวนทำบุญทอดกระถินเขาเอาเงินไปสร้างห้องน้ำในวัดเมนเผาศพบารุงรักษาโบสถ์เป็นวัดต่างจังหวัดยากจน แบบนี้ทำไมถึงบาปคะในเมื่อถ้าเขาไม่โกงเงินคนที่ทำบุญที่จริงมันมีนัยยะซับซ้อนลึกซึ้งอยู่นะทำบุญทอดกระถินนี่นะและเอาเงินไปก็เป็นวิธีหาเงินอย่างหนึง่งจริงๆมันเป็นเรื่องเรื้อรังมานานาศาสนาพุทธเรื้อรังมาสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีแทอดกระถิ้นก็คือท่นอนุโลมทอด นะว่าผ้ามันไม่ค่อยพอยุคนั้นมันโอ้เพื้องผ้าเรื่งผ่อนนี่มันน้อยจกนกระทั่งเอาเอาผมคนไปทอเรียกว่าผ้ากําพลเอาผมผมขนไปทอบอกว่าในกระบวนผ้าทั้งหลายแหลนี่ผมคนนี่เป็นผ้าที่เลวที่สุด <c oughs> หนาวกว่าหน า, ทน า, า, านทวที่สุดอะไรก็ยากผ้าผมคนนี่เล็วที่สุดทันว่าไวนะ้ก็หายากเพราะว่า ทางเทคโนโลยีหรือว่าทางการสร้างอุตสาหกรรมมันยังไม่เก่งผ้าผ่อนก็หายากาสมัยโน้นจนกระทั่งมันไม่ค่อยมีใช้จะเอาผ้าบางสุกุลมาก็ไปใช้แต่เคร่งท่านไม่ไปเรียร้ายไม่ไปหาซื้อไม่ไปหาอะไรตามมีตามได้ก็ไปหาเก็บผ้าผ้าบางสุกุละบางสุกุลไม่ใช่บางสันะุบางสุกุล แปลว่าของคุกคีฝุ่นเพราะงั้นที่เ้าทิ้งเขาขวา้างแล้วไม่มีเจ้าของแล้วก็ไปเก็บมาแล้วก็เอามาเย็บต่อกันมีท่านกระถินนี่แปลว่าจอจอไอสะดึงจอสะดึงใหญ่นะอย่างจีวอนมันจะยาวจะกว้างประมาณนี้นะประมาณไม่ใช่ประมาณนี้เราเท่าตามขนาดนะอาตมาจำไม่ได้นะเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ได้ผ้ามาพื้นนึง ก็มาค่อยๆตัดให้มันเป็นที่มันจะเย็บดีถ้ามันเบี้ยวมันบิดมากๆก็ตัดให้มันพอได้แล้วก็มาได้เป็นผืนแล้วก็เชือกดึงไว้เชือกเหลือมาได้ก็ตอกันต่อกันเพราะงั้นจีวรของพระจึงมีตาต่างๆมันผ้าต่อๆกันหนึ่งเรียกว่าผ้าลายเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยผ้าอะไรต่อกันเป็นชิน้น ๆ, ๆก็จะเต็มจอได้เป็นกระถินเป็นสนึงเต็มสนึงก็ได้มาพื้นหนึ่ง เรียกว่านันผ้าบางสกุลนะผ้าบางสกุลนิกรถินก็คือสะดึงจอสะดึงทีนี้มันหายากนางวิสาขามาเห็นน่าสงสารก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าถวายขอถวายผ้าท้าเรียกว่าผ้าอะไรอะฮะฮะไม่ใช่ ผ้าวะมีชื่อผ้ขาข้าพอดีนั่นแหละผ้าเขามีชื่อฮะไม่ใช่ผ้าผ้าที่เป็นของคารวาสของผู้ที่มีอัญจะกินนะผ้ามีศั์อะไรอัตมาก็จําไม่ได้ลนะนะถวายผ้าดีเป็นผืนเลยเป็นผืนมาจากมว น, น ะ, ะมาจากมวนผืนใหญ่เลยเย็บต่อกันนิดเดียว จนพระอนุนมาออกแบบมีตารางแล้วก็มีขันมีอะไรอะไรต่างๆก็เลยเอาแบบนั้นมาติดยึดกันมาจริงๆต่ อ, อยังไงก็ได้เยัดยังไงก็ได้พื้นเดียวยิ่งดีใหญ่เลยแล้วก็ไปเคร่งกันต้องเป็นขันถึงจะเป็นเคร่งถ้าไม่มีขันไม่เคร่งเพราะว่าถือว่าไม่ใช่ผ้าบางสุกุลไม่ได้มาเย็บต่อกันผ้าดีๆไปตัดนนมาเรามาเย็บต่อมันก็เวรจริงๆเลยนี่เราพาซื้อเอาเดี๋ยวจะเยอะแยะเกินไปพูดแล้วแม่ อายุมากนะี่นิทานยาวนิทานเยอะนะกระทินคือผ้าโดยพระรากศัพทนะี่คือสะดึงโดยซ้ำไปนะเพราะงั้ น, ผ, าาออนผ้าที่ดังวิสาขาคออนุญาตเอาผ้าดีๆนี่มาถวายเลยพระพุทธเจา้าก็อนุญาตให้ทอดได้หลังออกพรรษาเดือนเดียวเท่านั้นนะกำหนดเดือนเดียวถ้าทอดไม่ได้จบ ให้กระเบียร์กษียนอย่างนั้ น, นเดือนเดียวให้ทอดวัดเดียวก็ทอดได้เจ้าเดียวด้วยจะมีกี่ชุดก็แล้วแต่แ ต, แต่เจ้าภาพาชุดหนึ่งก็คือสามถืนชุดหนึ่ง3พืน้น3พื้นจะได้สองชุด3าชุดก็วา ก, กันไปไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแต่ทุกวันนี้มาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรลูกกระถินอะไรบริวารวากรถิน อมาหาเรื่องและบริวารกรถินสำคัญก็คือธนบัตินะก็ว่ากันไปนะเอาเถอะนะเรื่องของมันมันเยอะถ้าพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบมักน้อยสันโดษไม่มากมากไม่อะไรเลยปฏิบัติทำก็ปฏิบัติไป จะมีห้องน้ําจะมีโบสจะมีกุฏิอยู่จะมีผ้านุ่งผ้าหม่มอะไรใดแค่ไหนเรียกว่าบริคารจําเป็นอะไรต่างๆนานาหรือว่าแม้แต่ที่จริงก็ไม่ใช่บริคารหรอกอห้องน้ําโบสอะไรก็ไม่ใช่บริคารอะไรโบสก็ง่ายจะตายทักนิมิตเอาหนั่นตรงนั้นเอากำหนดตรงนั้นนมุมนั้นบน น, นี้นี่เขตนั้นนี่เขต เรียกว่าทักเสมาทักนิมิตแล้วก็บุบุไว้ตรงนั้นเป็นเสมาตรงนี้เป็นขีเป็นเป็นเครื่องหมายเสมาคือเครื่องหมาย นึกว่าตลอดรอดฟังเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอามันจะยาวมันเยอะถ้าให้อัตมาอธิบาย <c oughs> <c oughs> อธิบายเรื่องที่เพี้ยนผิดๆมันนี่มันมากเกินกว่าจะอธิบาย <c oughs> อะ เราก็พยายามที่จะมาปรับก็เห็นใจในหลายๆอย่างถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมากน้อยส้โดดเขาจะมาทําเองเขาจะมายิ่งเราปฏิบัติ ด, ดีเนี่ยประชาชนก็จะเห็นขอภอภัยที่ต้องพูดของตัวเองอย่างชาวโศกเนี่ยจะวัดจะว่าอะไรเนี่ยเราไม่เคยไปเรียรายแล้วไม่เคยทอดกรินเราไม่เคยอทคยอดประปาผ้าป่า ก, กับเละเทะไปหมดเลยพูดไปตอนต้นละผ้ะป่าเนี่ยมารู้ไม่ได้ พระไปรู้เจ้าของคนไหนก็ยังไม่ได้เลยไอ้นี่เนี่ยพระเป็นซะเองเลยคบคิดเกินกว่าคารวาสเลยเลอะไม่หมดพระป่านั้นก็เป็นเรื่องนั้นเห็นว่าพระป่าไม่ได้กําหนดเดือนไม่ได้กำหทอดพระป่ามันทั้งปีเลยหาเงินก็คือเป็นเรื่องที่ถ้ า, าศาสนาพระก็ยังเจตนาหาเงินกันอยู่โฆษณาพรมุ่งมุ่งอย่างเงี้นะนั่นคือความเสื่อมของาศาสนาแท้ๆความเสื่อมของาศาสนาพุทธนะ เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองมักน้อสันโดลและพยายามภาคเปลี่ยนปฏิบัติดีจริงจะมีคราว่าเด็กเขาเห็นเขาครูว่าอะไรขาดอะไรที่ควรจะเป็นวิหารวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอว่าวิหารทานเป็นเครื่องอาศัยวิหารทานเพราะวิาวหารทานไม่ตั้งแต่เข็มเล่มหนึ่งก็วิหารทานขาดเข็มหาเข็มหัขาดได้หาได้ขาด มีดโกนน้ำมีดโกนโกน้ำหรือว่าขาดห้องน้ําก็ทําห้องน้ําขาดวิหารก็สร้างวิหารวิหารที่ยังวิหาระนี่เครื่องอยู่ไปเรียกอาคารศาลาอาคารเรียกว่าวิหารก็ไม่ว่ากั น, นขาดศาลาทํากิจทําอะไรก็ว่าไปขาดกุฏิขาดอะไรท่านก็ทําไปอพอเหมาะสมควรก็ก็จะเห็น ไม่ใช่เราอยากสร้างอันโน้นอยากสร้างอันนี้ใหญ่โตแล้วก็ไปเรียร์รายกันทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรมันไม่ถูกต้องนะถ้ามันจาเป็นจริงๆมันลําบากลบนจริงจริงเน่ยก็ได้แค่บอกบุญบอกบุญก็เปรยปลายไปก็ญาติโยมเอออันนี้โยมดูดูแ ล, แล่เนาะว่าตอนนี้เนี่ยอะที่พระไม่เยอะนะศาลาจะทํากิจสมอะไรมันก็ยังไม่พอใช้เท่าไรก็เปรยปลายไป เท่านี้ก็มีปฏิพาน์แล้วญาติโยมก็ก็รู้แล้วไอ้นนีอวโหว่างแผนมีการตลาดมีอะไรๆสารพัดใช้จิตวิทยาโอโหทั้งหลอกทั้งหลอกทั้งครอบงำทางความคิดทั้งอัตมาว่าดูแลนักเีนักเบียดน่าอายน่าอายแต่คนไม่รู้ก็ทำสิ่งที่น่าอายได้คนไม่รู้ทำสิ่งที่น่าอายแล้วก็ทาลายาศาสนาไปนะ <c oughs> เอาทีนี้ ถามมานี่อัตมาก็ขออธิบายเพิ่มว่าเอาเถอะวัดมันมันแก้ยากแล้วแต่วัดใดที่เขาเองพอบำเพ็ญพอเป็นไปพอวัดที่ดีที่พออะไรมันขาดแคลนมันไม่ค่อยพอเหมาะอะไรก็ช่วยกั น, นก็ดูแลวัดดูแลวาบ้างะอะไรแต่ไรที่จะต้องไปช่วยก็อยู่ที่ญาติโยมเท่านั้น น, ะ, นะก็ไปช่วยดูแลนะพอจะเงินที่จะเอาไปสร้างสิ่งเหล่านี้ที่เหมาะที่ควรมันก็ไม่ไมัไมมนก็ไม่กระไรหรอกมันก็ดูดี นะแต่ก็ผมเออกลัวเนยว่าให้ท่านอดทนให้ท่านอย่าไปฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยอย่าไปประงรุบ ป, ประโ h ประโคมกันอะไรมากมายเกินไปพูดไปแล้วเขาจะมองมาหาอโศกอโศกอะไรโอ้โหเยอะแยะ ด, ดําโดยจะสร้างใหญ่สร้างโตพูดไปเนี่ตัวเองอะไรสร้างใหญ่สร้างโตเราจะสร้างอะไรใหญ่ใหญโตโอีกนะอันนี้ไม่ได้เรียรายอันนี้ไม่ได้ไปทําเพื่อใหญ่เพื่อโตแต่ทําอย่างเหมาะสม มีญาติโยมมีอะไรเข้าเสนอมาที่จึงปฏิเสธด้วยขอบอกหนะลายอย่างปฏิเสธด้วยญาติโยมจะทําันให้ทำนี้ให้ใหญ่เราไม่เอาเราก็เห็นว่า น, นี่หมอคนปลายปลายไปอย่างเก่งก็บอกบุญอย่างที่ว่าเขาก็ช่วยทำนะเร่องไรไม่ทําเลยแต่แค่อย่างเก่งก็บอกบุญนะที่เราบอกบุญหนักที่สุดเนี่ยมีอยู่ครั้งครั้งเดียวที่ดินเที่หน้าสันติสุข ไอ้ น, น, ไอ น, นี่ไม่ไอ้นี่ไม่ไม่ได้บอกบุญที่สัตยาสวงนี่แหละตั้ง 30-40 ล้า น, นตอนนั้นเราก็จําเป็นต้องรีบทําด้วยรีบแล้วก็บอกบุญป๊บ เ, เขาจะช่วยเราก็บอกหาทางกันบอกนี่นะมันมีความรีบด่วนจําเป็นก็แค่นั้นนอกนั้นอะไรไรเปลือกเปลยปลายบางทีก็บอกเปลยนิดๆหน่อยๆ ไ, ไม่ได้บอกอะไรไอเรืร่อะไรไม่ได้ทําเลยเป็นเรื่องเรียบรย้เป็นกิจกจรลักษณะแม้ตั้งหัวหน้าทีมนี่โอ้โหเป็นประธานกองบุญกองอะไรนะกองบาปมันจะกองบุญ มันไม่ได้ละ ก, กิเลสเลยมีแต่กองบาปนะที่จริงจะถ้าเรียกว่าอย่างนี้เขเรียกกองกุศลก็ยังถูกศัพท์ไม่ตอกบอกกองบุญมไม่ได้มไม่ได้จับลสจับรั ก, กิเลสมีแต่หลอกล่อให้กิเลสบานตะโกนนะเอ้าเลยเวลาละเอาผัานสุดท้ายรีบตอบทําไมวิทยาลัยอาชีวะจึงสอนให้เด็กคิดแต่เรื่องเครื่องดีดฟุตบอลสิ่งที่ดีมีประโยชน์กว่านี้ทําไมไม่คิดประดิษฐ์อธิการบดีมีสมองหรือเปล่าครับ โอ้คุณยื่นมีดให้อั ต, ตมาฟันเข้าไปหมดที่ไหนๆก็ฟันเขาไปหมดอัตมาก็ขอตอบอย่างนี้การละเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นอบายมุกการละเล่นเนี่ยการละเล่นฟ้อนราร้องเล่นน้าเมงละครอะไรพวกต่างๆนั้นนี่มันมากเกินความเป็นศิลปะมันมากเกินความเป็นศิลปะมันเป็นเรื่องปลุกเร้ามันเป็นเรื่องบําเรออารมณ์บําเรอกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสชอบ ต้องตื่นเต้นอะไรมากมายแล้วมันอเป็นอารมณ์ของจิตเสพติดทั้งนั้นเลยมันเป็นอบายยมุกนะเพราะงั้นอัตมาก็ขอพูดแค่นี้ก็แล้วกันมันหมดเวลาแล้วนะไว้วันหลังค่อยๆถล่มกันใหม่นะมันต้องถลมเพราะว่ามันเรื่องที่มันเกินไปเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจสัจจะจริงทั้งโลกเลยเดี๋ยวนี้มอมเมากันโอ้โห ออกข่าวกีฬาออกข่าวบันเทิงไอ้ข่าวที่มาเป็นสาระที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าไม่ออกกันเลยออกแต่ไอ้อะไรก็หมายรู้นะอ้าวมีแถมมาอีกเด็กยิ้งหน้าต่างเด็กยิ้งอะไรนี่อะไรตะวันนะนะหยุดตะวันเหรอนะหยุดตะวันเหอฮะหยุดเหรอหยุดตะวัน แม่ตะวันทำงานก็ยุ่งเลยนะเนี่ยี่พ่อเขานั้นเป็นคนตั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงปู่ตั้งฮะพ่อเต็มบาดเป็นคนตั้ง น, นชื่อลูกสาวคนนี้หยุดตะวันพอหยุดตะวันเขาก็ตายเลยตะวันเ้าไม่ทำงานแต่ดีลวมันร้อนหยุดมันมั่งก็ดีเหมือนกันมันร้อนก็หยุดตะวันมันมั่งนะ ถามมาว่ากินนมวัวผิดศีลไหมคะไม่กิ น, นมผิดศีลไไปแย่งลูกมันทำไมอ่ะแม่มันมีนมมาให้ลูกมันกินแล้วเราไปแย่งลูกไปแย่งลูกงัว <c oughs> นมวัวเป็นนมสัตว์กินนมแม่ก็พอแล้ว <c oughs> พระโตพอสมควรแล้วก็เลิกมันมีรายละเอียดเยอะ อย่างนมแม่นมคนนี่นะมันมีวิตามินมีอะไรๆเหมาะสมกับคนนม ง, งวมันก็เหมาะสมกับงูนะนมสัตว์ชนิดไหนๆมันก็เหมาะสมกับตระกูลของมันพันุของมันแล้วคนเนี่ยไปกินนมสัตว์มันถึงได้มีเชื้อของสัตว์มีอะไรอะไรของสัตว์วิญญาณสัตว์ก็มาผสมเสานอยู่เยอะเลยวิญญาณสัตว์ก็มาอยู่อยากให้วิญญาณสัตว์ก็มาอยู่ในตัวหรือเปล่าเอาไหม เอาเอาไหมถ้าไม่กินก็ไม่มีวิ ญ, ญญาณสัตว์เข้ามาอยู่ในตัวเรา mm hmm. อ้าวแล้วตอบแค่นี้ <c oughs> อ้าวต่อจบนะสำหรับวันนี้จบนะอ้าวเจริญธรรมทุกคน <c oughs> ธรรมดาเขารอเรานะ <c oughs> แต่วันนี้อดทนทนไม่ได้ยังไง มันเพิ่งจะทุ่ม17นาทีเองแล้วเขาไม่มีไม่มีไงตอนโฮมทีไม่มีวันนี้